กับนมาสการครับพอาจารย์กลบนมาสการครับพอาจารย์ง่วงนอนหรือย <c oughs> ังค่วงนอนหอยังครับถาตอบยังไม่ง่วงนอนกับพอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีต่ออยู่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เดึกเหมือนอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ออกแล้วก็แม่เรียกให้มากับพระอาจารย์ครับก็ เ, <อ>เลยมาครับพอาจารย์ถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ตองไ่ก็เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับพอาจารย์วันนี้ดูทีวีเรื่องอะไรครับ เรื่องอะไรนะเรื่องซมเอร์ครับพ่อจันซัมเมอร์เหรอสนกไหมสนุกครับพ่อจันกาลังดูต่ออยู่ครับพ่อจันเขอนจะไปดูสวนบอลให้ฟังหน่อยได้ไหมเราห้องซัมสมซัมพุตพระครูพุทธังพระกวนตังอาพี่วาฒนิครับสาวก็จบสาวก็ต่ทำโมทำมันน้ำซัมมีครับปุ๊บปั้นน้องาวกตัวสาก็สังโคสังข์สางขนะมามิครับ นะโมสัพพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะอิติพิสะกวาะะังสัมมาสัมพุทภะวุังะนตังอิติมิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธิตะลานะสัมปันโนโลตุ อนุติสสะนซาลาทิสะท่าเทวมนุสย์นยุตพักวติทามาตอพักวตรธรโมสมนิติกวาาลิกอเอปัสิกโอปะไนกอบปัจตังเมธีอะปอินยุหิติปัติปนโนพักวัตสาวกัสังโคชูปฏิปันโนพัวตสาวกสัโค ยาปฎิพันธ์เนา a ปรากฏว่าตัวสาวกษัตริย์ของสามยืดปฎิพันธ์เนาะปรากฏว่าตัวสากษตริย์ของยาที่ตั้งจัตตารีตจะเขาปราสักันนอต นีิก็โหมิอี่ทุคโหมีิอาเวโลโหมีที่จะไปเจอโฮมีนี่ก็ตอนนังปอยห่างจาสัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเยอะได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยอันนี้ค่ะจงเป็ัจฉะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเยอะได้มีนเว้นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้คะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเยอะได้มีนสุทเกันคว้มทุกข์ใจเลยสุขีอยตานังปาริหารานี้ปาริหารันตุจงมีมีความเจ็บกายสุตะดักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นเถิด กะลาก็โอวันนี้เก่งมากสวดได้เยอะแยะนะอ่าดมมีมีเสมอมาล่อลอยู่ค่ะพระอาจารย์อ๋อดีมากสวดนี้ทุกคืนนะค่ะนี่ตั้งแต่กลับมาจากกราพาจย์ให้สวดทุกคืนเลยค่ะพระอาจารย์อ่านี่ไดนอนหลับพันดีนะเดินัะใช่ไหมคะอืมไปดูตัวเีงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดไปทางคนะคะ ไปแปรฟันอ่าไปแปฟันให้เสร็จก่อนปะกลับพระอาจารย์ก่อน <Yeah. S 1> กลับคร่ะอารุพี่แต่มมนะไปเลยค่ะค่ะ <laughs> <laughs> พระอาจารย์เมื่อวันที่ไปกลับพระอาจารย์นะคะขากลับแวะทานอาหารกันที่ตรงหน้าเขาอ่ะคะ่ะแล้วขากลับหนูหลับในค่ะพระอาจารย์อเอ่อสะดุ้งอีกทีนึงคือมันอยู่เลนกลางแล้วแล้วก็หักหักออกไปเลนกลางอะคะ่ะ ตอนแรกอยู่เลนซ้ายซ้ายมือสุดใช่ไหมคะแล้วหักออกเลนกลางแล้วตื่นตอนที่เซ็นเซอร์รถมันติดติดติด ต, ดติดว่าค่อมเลนนะคะแล้วก็มีเสียงแบบแตรจากรถหลังอะคะ่ะบีบลากยาวมาเลยแล้วหนูก็แบบลืมตาตื่นขึ้นมาเอ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเห็น <laughs> ข้างหน้าเป็นรถแกส๊สรถรถแกส๊สรถน้ํามันนะคะอาจารย์แล้วข้างหลังก็คือเขาบีบแต่ลากยาวมาแล้วมันไปไหนไม่ได้คะ่ะมันเร็เวเมากะคะ่ะมอเตอร์เวย์ตรงทางแยกสัตหีบอะคะ่ะแล้ว ตอนนั้นไม่ได้ตกใจนะคะพระอาจารย์แต่แบบอุ้ยหลับไปเหรอแล้วก็หักรถกลับเข้ามาในในเลนปกติของตัวคะ่ะแล้วก็ขับเลื่อยมาจนถึงกรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพแล้วรู้สึกกลัวคะ่ะพระอาจารย์ว่ามันอีกนิดเดียวก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วะอะค่ะพระอาจารย์ความตายมันมันแค่กระพริบตาจริงๆนะเจ้าคะ่ะนั่นแหะ อย่างดีที่เรามีสติตอ น, นั้นไม่ได้กลัวตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้ น, นค่ะคือตอนเวลาเราหลับคือหนูก็ไม่กล้าหนูรู้ตัวอยู่นะคะว่ามันรู้สึกเพลียอาจจะเล่นเล่นทะเลกับลูกตั้งแต่เช้าด้วยแล้วก็ตื่นเช้าด้วยะค่ะรู้สึกตัวว่าเพลียก็เลยไม่กล้าสวดมนเพราะว่ากลัวสวดมนแล้วก็แบบ ฟังหรือฟังพระสวดฟังพระไปบนตอนที่ง่วงง่วงกลัวว่ามันจะแบบหลับไปเหมือนกับตอนที่สมาธิหรือว่าก่อนจะนอนที่เวลาเราสดดวดมนต์เราก็หลับไปอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยอดทนแบบว่าขับต่อไปแต่ก็เอาพระมามาใส่ไว้ในในเสื้อนะคะเพราะว่าไม่ได้แขวนสร้อยรู้สึกอะไรก็ไม่ช่บาบค่ะก็เลยหยิบพระจากในกระเป๋าแล้วก็มาใส่ไว้ในเสื้อคะ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ทราบหลับไปตอนไหนเลยค่ะพระอาจารย์ตื่นมาตกไม่ตกใจเลย ปกติมันน่าจะแบบมืดหรือว่าเหยียบเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหยียบเบรกก็คือน่าจะขมาเลยอะค่ะพระอาจารย์รถน่าจะปัดนะคะ่ะแต่ก็ค่อยค่อยขับเข้ามาแล้วก็ขับต่อนิ่งมาจนถึงกรุงเทพแต่พอมาถึงแล้วมันเ พ, พนิกเลยค่ะพระอาจารย์แบบอุ๊ยตะกี้มันรอดมาได้ยังไงมันนิดเดียวเองอะค่ะอ่าําไว้ก็แล้วกันกนะพระช่วยมเราไม่ได้มีแต่สติ ท, ที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะ่ะ mm hmm. อันนั้นเขา <açık use. S 1> เขาเรียกว่ายังไงอะครพระอาจารย์ต้องยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงที่ค่ะโชคดีมากเลยค่ะมีโอกาสได้มีโอกาสได้มากราบพระอาจารย์ต่อพยายามประมาณพยายามรีบทําความดีเสียแต่นั่นน่ะค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าแบบโอ้มันนิดเดียวจริงๆนะคะพระอาจารย์แค่เสี้ยววินาทีมันแล้วมันจะไปว่าจะต้องแก่ตายกันทุกคนน่ะอ่าคือตอนนั้นน่ะลูกก็นั่งนั่งดูไอแพอยู่ข้างหลังมีมีหนูเนี่ยครัที่น่าจะ ไม่นอกจากตัวคนเดียวแล้วยังต้องพาลูกไปเป็นอะไรด้วยก็เลยบอกว่าโอ๊ยอันนี้คือสติไม่มีมใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเพล ย, ยงใ้ร่างกายมันจะเพลย์แลวสติแล้วก็ต ก, กังมันก็เลยมันก็จะหลับมันถ้ารู้สึกอย่างนี้คุณจะคจะจอดรถไปทำอะไรให้มันตื่นขึ้นมาก่อนแล้วให้ไปคับดีกว่า ค่ะพอดีบอนเตอเวย์ตรงนั้นมันไม่ให้จอดเลยค่ะรถมันมาเร็วๆมันไม่มีไหลทางให้ให้ให้แว้เลยหนูก็เลยแบบอุตาห์ขับคิดว่าขับช้าๆแล้วนะคะตอนตอนที่ยังมีสติอยู่อะ่ะจำได้ว่าตัวเองอยู่เลนกลางเพราะว่าไม่กล้าอยู่เลนริมกลัวกลัวจะฉลับตกลงไปหรือว่าริมขวาก็ไม่กล้าแต่มาลืมตาอีกทีอยู่เลนซ้ายแล้วพยายามเบียดเข้ากลาง ก็ยังดีค่ะพระอาจารย์เลยนึกนึกถึงคําพระอาจารย์สอนมากเลยว่าให้นึกถึงมรณานุกสติแล้วก็ให้ปฏิบัติอืมอกินเสมอว่าเราจะตายวันใจพุ่งมันนึกมันนึกไม่สู้เห็นของจริงไม่ได้ใช่ตกใจมากเลยค่ะพระอาจารย์เวลาไรลมันก็มันก็ให้เฉยมันไม่ค่ะต้องเจออย่างนี้ใช่ไหมคะต้องเจอของจริงนียมันถึงจะจําได้หนูเ<ม>จอหลายอย่างหลายบททดสอบแลยค่ะพระอาจารย์เจอทั้งเลย จะไดไ ม, ไม่ไม่หลงไม่เร็วเนี่ถึงจะมาละวันลันโอ้โหที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะอะไรนะคะไม่ให้ง่วงให้ไปอยู่ในที่น่ากลัวน่ากลัวตอนนั้นที่เจ อ, อเจอที่วัดวัดป่านั้นก็โ อ, โอไม่ไม่ไม่ง่วงเลยมีสติอยู่วันเช้าวันเย็นเช้าจนมาเจอที่ที่ที่หลับในอันนี้อีกก็คิดแล้วว่าอือเราต้องคงต้องรีบปฏิบัติให้ให้ให้ เวลาทุกนาทีมีค่าค่ะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาพางว่างนั่นเต้องสำคัญ ก, ก็คือให้มีสติถ้เวลาถ้ารู้ว่าเราไม่มีสติแล้วคนจะพักว่าจะไปขับรถจะไปใช้ทำงานกับเครื่องจักรอะไรต่างๆอย่าเกิดอุบัติเห็นได้ค่ะพระอาจารย์กรรมนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องรีบร้อนถ้าจ ะ, ถ, าจะถ้าจะจอจะดต่อจอดรถให้เสียเวลาพัก5นาที10นาทีก็่งจะช่วยได้ ค่ะพระอาจารย์พอมาถึงบ้านแล้วหนูแบบดีใจมากเลยโอ้รอดมาแล้วได้มีโอกาสได้กล่าพรอาจารย์นี่โอเคค่ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อันนี้มีเด็กเยอะต้องไปเชเด็กๆ ก, ก่อนนะตัวเด็กตัวายเลน่นเามาเดลน่นใครไหนลเล่นแต่เามาอยู่นี่แล้วเจ้าค่ะค่ะ กับก <bab> ับพระอาจารย์ก okay. ับรูปเดี๋กับพระพุทธกับกับเลิกกับพพูดกกับพระธาตุอ่ากับพพุทธหรือกับกับพระธาตุแบบนี้เลยค่ะกับพระสงฆ์โอเคออ้ยกับดีๆเลยทำดีๆโอเคโอเคเอาละครับอ่ะอ่ะเอาเลยตรงการบ้านไม่เอาทาดีเริ่มรอนะอานแ hati s <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, uh, a n t t a t a a y e a w d a n d a p a h u a d a p d a p a h u a d a p d a p a h u a d a d a h a d a d a h a d a d t s t a t d a ก็ว่าฮะถ้าเราทำท่ทามโนสังกติก็นก็เอกอปนก็ปัจต่งนี้ที่เรากสิซสุปสุปิปันโนบตตาบตโตสัมภะสังยัอุชุปปะำวตสะสังกยยปิปนปะควตสัมะสามีสามิปัะตสัะสังนทีนะตา่สุอ อาบุริสบุชลาเอสสพระธรรมอุตสาหกเอ่อต้องเนียเรวนี้ตกินเนี่ยอาชีพยารอันนี้อตมวยกีฬล่งโกระสาติกตั้งใจครับุเลยทาดีๆอาบุญมุละไรสักพันาตามแล้วก็จะขอเซตกระโหลกศนัยจ่มมูล เพ่อจะรักษาเืกษาคนลูกเงินัก้จะรสทยังไงให้ทุกท่านทาเงินจะทั้ลายนรูปทเจดแม้เมื่อกลางวันจะชอย่าินี้จะได้ความายในสิ่แต่ละเพราะกนต้อูกของนเนจานะไปดง้ำไปเชื่อตานาปริหารไม่ดังเลยลูกอะไรจิตสติที่อะไรต่อผม ผมขอเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกกระดูมกม้าวแตตับกระเบืองแต่ยังนอยตายขเ่นเช่นหน่อยาอยาหารหาเก่าชองสีส้ดีน้มือเงาเสร็จน้ำเกลืน้อเลือดน้ำเกลือทานข้ํน้ตาน้ามะเร็น้าดีกินน้าแบบไม่มีสติเห็นไหมเอาใหม่ลูกอาผมใหม่ครับผมข้อนเล็บฟันหลังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อ ยังไงก็ดูนำดีมามหัวใจก่อนเอ่เออหัวใจโอเคไม่ผิดเลยค่ะอ่ะมามหัวใจหลวงพามามาน้ำหัวใจตาแป้งพูนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ น้ำมือน้ำมีน้ํามือหวานเกล็น้ำเกล็ดเขาเรียน น, น้ำเงี่ยน้ำมันข้นนตาน้ำมาเหลวทําเหลนะำลายลายน้ำมูอแล้วแต่ข่าน้ำมูดเค่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะแล้วอะไรต่อเรามีอะไรเรามีเรามีความแก่เรามีความแก่แล้วก็แก่เป็นน้ำตาแต่ก็แก่ไปไม่ได้ อันนี้ความเจ็บใจเป็นธรรมดาแล้วคนเนี่ยเอาของเมื่อไรมีความตายเป็นธรรมดาแล้วคนกำตายไปไม่ได้อาจจะขาดภาคของเราความดีเนี่ยอุกคนต้องมีวามดีนั้นแล้วจิเป็นของเช่อคนชอบความดีเป็นแจ้าปุนยจะเป็นผู้อาบทอดกันแล้วก็มีกํรเป็น เป็นหกพอนนั่งเป็นที่พึ่งที่ดังๆเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องเป็นผู้ฝูงของกรรมนั้นสืบไปไม่ดังเลยเจ้าคะ่ะห okay. มดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมยังครับหลวงลุงถามหม ด, <Okay. S 2> หมดยังครับ <Okay. S 2> รอะไรนะครับ okay. อะไรนะคะไปเอาสีอะไรน้องลินไม่ม so ีสติเลค่ะต้องเอาไปเอาไปอะไรตาห้ังเลนตาหนังลินละค่ะ้องโมค่ะอ so ่ะ <t> มาสมบูรณ์ค่ะค่ะค่ะกล่าวถามากอันนี้ไม่อเก่งแล้ค่ะอันนี้ไม่ไอไม่ไอแล้วค่ะเก่งมากโอเคค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามจะพาไปเข้าค่ายเด็กวัดของครูอุ้ยเจ้าค่ะที่สํานักสงฆ์ค่ะพระอาจารย์ปุ่ยพระอาจารย์ติ๋วค่ะแด็กครูอุ้ยท่านก็ยังใจรักอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ค่ะ <Okay. S 2> อ่ะดับกล <Okay. S 2> ับลาหลวงพ่อเร็วอ่ะเร็วดับเลยครับกลับพุทธรี่ับเด็กพุทธรีดับพุทธรีดับพุทโธพมโมสังโคเลนตั้งใจแล้วนะคะพระอาจารย์ค่ะยิ่งโตก็ยิ่งจะยากไปเรื่อยๆไหมคะก็ธรรมดาของเด็กนะคะพระอาจารย์ค่ะะตอนนี้ใส่ได้ต้องยืดใส่ก่อนค่ะค่ะพระอาจารย์รักษาท่าขาหน่อยจะคะค่ะ อ, อ่าน้องลินพอแล้วลูกอ่า<น>เด็กกิแตมแปมเด็กว่าไงเจ้าสวน อ, อ, อะไรไมหมหรื อ, อยั ง, ยง ม, ม่อะไรมาเล่าให้ฟังบ้างล่ายังยังไม่มีอะไรมาเล่าจะให้ฟังเจ้าค่ะวันนี้พาเด็กๆมากลับพาะาชการเจ้าค่ะกราบพุ ท, ทโธธทรมโมสังโฆกรบาบหนูท่องสวมดมนต์ได้ไหมกล้าสวดไหม ยังไม่กลา้าเจ้าค่ะยังไม่กลา้ายังยังอายอยู่ฟังเลยก่อนก็แล้วกันนะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีอ่ท่านนี้ก่อนนะเมื่อเป็นเด็กวันนี้เด็กหลายคนนั่ <c oughs> อใครต่อจะแมทหรือว่าจ่าแมกับแจ๊ดที่มาสกัดอาจารย์คร <พอ S 2> ับมาส่ง <ขอ S 2> ัปบ้านเช่นเคยครับ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องคนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องคนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพากจากของรักของเจรรยใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนวเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่เป็นอาสัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอโอเคทำไมนะกรามดีทำอนะไรทำอนะำ ไ, นะ ไ, นะไนะรแล้วมันก็ต้องกลับมาหาเราน ะ, ะ <c oughs> ทำดีความดีก็กลับมาหาเราทำไมด่ดีความไม่ดีก็จะกลับมาหาเราครับ โอเคแล้ ว, ล ว, ลวรว่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีผมขนแอปปันหนังเนื้อเอป็นกระดูกยืนในกระดูกม้ามตัวใจตับอัมพือษไตปอดไสใหญ่ไสน้อยอาหารใหม่อาหารเกา่ายืนในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหงือ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 หัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฝันเล็บขนผมอันนี้คกอร่างกายค่ะที่ไม่ใช่ตัวเราของเรานะอาการที่สองทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟไปปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดนะมันไม่ของเราไม่ใช่ตัวเรา เออโอเคมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีครับอนนี้นั่งสมาธิได้กี่นาทีแล้วห้าสิบนาทีครับห้าสิบเลยนะโอเคครับเก่งมากครับนั่งต่อไปได้ทุกวันรึเปล่าก็ทุกวันครับ ว, ว, วันไหนไม่นั่งก็ก็ได้ช็อตเชยครับโอเคนี่นีไม่มีคําถามแล้วนะนี่ไหมไม่มีครับอ่าไม่มีก็ไปที่นอน <cops S 2> ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับน้องน้องทีนตาน้องทีนกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์หายไปสองอาทิตย์เพิ่งกลับมาเจ้าค่ะคอับมีภารกิจต่างๆต้องทำไปไปญี่ปุ่นมาเจ้าพระอาจารย์ก็เลยเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่แล้ววันนี้ก็เลยต้องเรีกมาเข้าสู่มหะวิะอาจารย์ก็ก็ดีค่ะกลับมาก็ก็เหมือนก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ค่ะพระอาจารย์ แต่ก็ก็ยังกลับมายังพอกลับมาได้โอเค่ะแล้วพอเพิ่มตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะค่ะอาจารย์แล้วหนูแบบไปสั่งน้ําอันนึงมาค่ะแล้วหนูไม่ทราบว่ามันมีแอลโกอฮอล์ฮะแล้วพอแบบเข้าไปคำแล้งแล้วรู้สึกว่ามันมีแอลโกอฮอล์ฮะก็เลยแบบเลิกก็เลยแบบแบบแบบไม่เอาเลยค่ะอาจารย์ก็เลยต้อง ส่งต่อไปให้คนอื่นแทนนะคะเพราะว่าหนูไม่ไม่ไมทานแอลกอฮอล์ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็หลุดไปนะคะแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคนะพระอาจารย์อืมไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่ามั น, มนเป็นแอลกอฮอล์เราก็อย่าไปดื่มมันทั้งนัอน ก็ไม่ไม่ค่ะอาจารย์เพราะว่าก็ตั้งใจไปเราก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดื่มต่อ่อาจารย์เพราะเราตอนสั่งเราก็ไม่รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมทุกอย่างก็ยังยังคุมได้อยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็กลับมารอบนี้ยค่ะอาจารย์เอแล้วหนูกลับมากลับมานั่งสมาธิค่ะพอดีมันก็เหมือนว่าเพราะเหมือนันกลับมาเริ่มใหม่นะคะมันก็อาจจะเวลามันจะถอยหลังไปบ้างค่ะแล้วทีนี้ตอนที่นั่งอะค่ะอาจารย์มันเหมือนว่าแบบ มันก็มันก็ไปถึงจุดจุดนึงอะคะ่ะมันจะเริ่มมีความแค่ใครว่าเวทนามันขึ้นแล้วมันอึดอัดอะคะ่ะแล้วหนูก็เลยพยายามคิดว่าเออเหมือนตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยให้เราคิดว่าแบบเรากำลังจะตายอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราทดสอบ สภาวะที่เรากําลังจะใกล้จะตายแล้วมันอาจจะต้องเจออะไรที่มันยา ก, กลำบากยิ่งกว่านี้ค่ะหนูก็พยายามพยายามแบบอยู่กับคําบริกรรมนะคะพระอาจารย์แต่ว่าแบบมันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนแบบร้อนข้างในไปหมดเลยอ่ะค่ะหนูก็พยายามจะสู้กับมันนะคะแบบเหมือนว่าเออแบบถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เราขัดขืนไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้ต้องนั่งอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรืออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนจนเราตายอย่างเงี้ยแบบ เราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะค่ะหนูก็สู้มันได้แค่ได้แค่แป๊บหนึ่งอะค่ะพลาาจา์เพราะมันร้อนจนแบบไม่ไหวจริงๆอะค่ะแล้วก็ก็ออกมาอะไรแบบเนี้ยค่ะพอาจารย์แต่หนูไม่แน่ใจว่าวิาวธีคิดแบบเนี้ยมันมันจะถูกต้องไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะถูกแล้วพแต่ว่าเรายังควบคุมใจเราไม่ได้ให้อยู่กับมันนะเหมืนอนก็ยังไม่สู้เต็มที่ต้องสู้ต้อง นอนก็ป่อยมันน้อนไปเเดี๋ยวร่างกายมาันก็ต้องเราเอาไฟเผาอยู่ดีมันจะนอนก็ปล่อยมันนอนไปใจเราอยจะไปนอนทำไมกันพยายามใช้พุทโธพุทโธให้ใจอยู่เฉยเฉยให้รูๆๆ้เฉยเฉยอย่าไปอยามอย่าไปกังวลร่างกายจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปก็พยายามสู้ค่ะแต่ว่าก็ยังยังสู้มันได้ไม่ไม่ดีพอ่ะค่ ะ, ะ, ะ <laughs> จนนั่นต้นนั่น เรู้ว <ắm> ิธีแล้วว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเจอกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างก า, ายถ้าเรามีถ้าเรามีธรรมะมีสติมีปัญญาเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันเราก็อยู่กับมันอย่างเงย็นสบายวายว่างอย่าไปอยากให้มันหาย อ, อย่าไปอยากให้มันให้มันหายจากเราเราือเราอยากไปอยากหนีจากมันไป อยู่กับมันไปคะคือตอ น, น, นจิตพอจิตเป็นลมจิตเป็นแนงแล้วมันก็จะเฉยมันย่อไม่เดือดร้อนตอนนี้มันสู้กันระวังคอิเลสอยากจะหนีแต่ธรรมะมันอยาซ้อนอย่าไปหนีให้อยู่กับมันไปมันยังไงเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายเพิ่มขึ้นอีกเพราร้อนในจิตจะมากกว่าทำให้ร่างเนี่ยตึงเครีด เดี๋ยวถ้ายหนึงไฟใหญยอมแพ้มันก็หาย<ะ>ถ้าเรายอมแพ้เราเ่นเลื่อนมันก็หายถ้ากิเลสมันยอมแพ้มันก็หายถ้าใจเราก็สงบเราก็จะอยู่ความเจ็บได้อย่างสบายแต่วันนี้ยังชนะมันไม่ได้เลยค่ะถ้าเราทำต่อไปคางนะ้ัก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแค่ไปสนใจความเจ็บเลยอยู่คำไมะไร้ก็ไปค่ะ ก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่อย่างที่แบบอาจจะยังสติเรายังไม่ดีพอก็เลยยังยังไม่หยุดแต่พอหยุดป้ามันก็เริ่มใช่ค่ะทุกข์ขึ้นมาดันเลยค่ะพระอาจารย์มันเคยแบบเหมือนแบบดันแบบผลักออกเลยค่ะต้องใช้พุทโธยึดพุทโธมันเหมือนยามตายไปกับพุทโธเลยให้เกิดก็พามันเกิดก็ก็มีความคิดตรงนี้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์เหมือนแบบ เหมือนคิดว่าเออเราเราต้องตายแล้วเราขยับไม่ได้แล้วแนหะถ้าเราสมมติว่าเราเสด็จ โ, โดนแช่แข็งอยู่ในลักษณะท่าแบบเนี้ยทายังไงก็ไม่ได้ต่อให้เราอยากจะหนีจากตรงเนี้ยเราก็หนีมันไม่ได้ อ, อ่ะพูดโทพูดโธพูดโทไปแต่แบบแต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะคะสภาวะตอนนี้แบบเออด้วยความที่เรามันก็ยังไม่ได้อยู่เป็นอย่างนั้นนะคะมันเหมือนว่าเออมันยังหนีได้มันก็เลยแบบเออมันก็เลยหนีออกมาแบบเนี้ยก็เลยแบบหนีไปหนมันหนีเข า, เขาต่อไปมันหนีไม่ได้มันจะทำยังไง ใช่ค่ะใช่ค่ะเยายามสู้กับมันได้พุทโธนี่แหละอ่าเป็นผ่าตายไปกับพุทโธเลยเอย่าท่องพุทโธท่องพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ค่ะมันอจิตมันปล่อยแล้วมันจะเย็นมันสงบจะสบายขึ้นมาค่ะ ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะถ้าอึะตาทิมีแล้วลูกก็ินี้นั่งสมาธิไปเท่าที่ทาได้ก็นั่งเกือบทุกวันยกเว้นวันเสาร์ครับเป็นอะไรกี่นาทีคกี่นาทีครับสี่นาทีครับ4่นาทีเลยสิบสีค่ะสิบสี่เลยทุกครั้งเลยคือช่วงนี้นั่งมหค่อนิ่เท่าไหร่ครับ มันเกิดมันรู้สึกปวดตรงขาครับต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับการปวดเป็นเรื่องธรรมดาอ <c oughs> โอเคอยพยนะายามพุทโธไปอาจจะต้องนานกว่าสิบสี่นาทีก็ได้ครับ ค่ะพระอาจารย์ได้ขะพระอาจารย์ก็กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทานแข็งแรงเจ้าค่ะถูกเจ้าค่ะแต่วันีคุณพอเข้ออันนี่กุณพ่าเข้ามาสนทนาธรรมด้วยมาก็คุณมาโก้ วันนี้เขาก็โทรมาเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่า อ, อตอนตอนนี้คืองานเขาบอกพระอาจารย์แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนงานเขาจะน้อยลงด้วยแล้วก็วันนี้เขาโทรมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอตอนทํางานเขาก็มีโอกาสได้ไปปลีกตัวออกไปทําสมาธิอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ได้ไปทํา่คะงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ดีอืม รู้จะกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปนั่งสมาธิมาน้นนะดีที่สุดดีกว่าไป ด, ดูนู่นดูนี่แต่ว่าเครียกับสิ่งที่เราดูเพราะงานที่ทำนี้ก็คือทิ้งหมดเลยเหมือนไปทำให้เขาฟรีๆอย่างเงี้ยได้ได้เงินมาก็ <c oughs> สู้ไปทำทำเพื่อตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนที่ทำงาน ตอนนี้เขาหมายถึงว่าเขาเป็นอาส า, าสมัครนี้นะอ๋อเขาก็ก็ทํางานนะคะพระอาจารย์ทํางานทำงานบริษัทนะคะพระอาจารย์ทิ้งแต่ว่ามัน อ, อที่ตัวตัวผลิตบางอย่างเนี่ยเขาจะยกเลิอกออกไปนะคะแล้วก็ทําให้ อ, อในสูตรที่เขาทําเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นบนลงข้างล่างเนี่ยค่ะพระอาจารย์พนักงานระดับบนระดับล่างก็คือต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องออกนะคะ ภายในประมาณภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะผูาจัมค่ะตอนนี้เขาก็พยายามหางาหาตำแหน่งใหม่อยู่ที่ที่บริษัทเดิมนะคะเขาลองสมัครไปแล้วบ้างแล้วก็ลองลองรอผ ล, อ ล, อ ล, อ ล, อลอตอบกลับว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้เขาจะต่องานาถ้าไม่ได้ก็ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราเรากินเงินอยู PG ่บ้านอยู่บ้านปฏิบัติธรรมรอกินเงินรัฐบาลไปสักสักสองปีแล้วค่อยไปสมัครใช้เวลาอยู่บ้านเพราะว่าที่เนี้ยถ้าถ้าออกจากงานมาเนี่ยอ่าออกจากงานมาโดยโดยที่เราไม่ได้อยากออกเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็จะได้เงินเฉลยประมาณเจ็ดสิบปอร์ซ็นของของของเงินเดือนนะคะมันก็พอได้อยู่ค่ะพระอาจารย์พออยู่พออยู่กับสามคนรอดค่ะพระอาจารย์ค่ะดี แต่ต้องไปายามงานช่วงสองปีนี้ไม่หาก็ได้นลยไม่หาก็ได้เจ้าขว า, านาัาร์แต่ว่าถ้าสองปีปุ๊บปั๊บก็จะไม่ได้เงินตรงนั้นแล้วนะคะอ่ามันเลยที่นี้ต้องอต้องไปขอทานกินเลยม่บวชมันไปบวชไปบวชก็ขายบ้านแล้วก็ไปบวชแต่ว่าปฏิติตรงที่ว่าเจ้าตะวันอนะ่ะบางทีเราก็อยากจะให้เขาอ่ะเรียนหนังสือเจ้าขวม <c oughs> เขาเพิ่งจะอายุเอ่อ ปีดีก็สิบสามนะคะพระอาจารย์อยากจะให้จบก่อนเพราะว่าในอนาคตถ้าสมมุติถ้าเขาจะได้มีทางเลือกว่าถ้าเขาอยากจะบวชหรือบวชแล้วปุ๊บอ่ทนกิเลสไม่ไหวอยากจะออกมาใช้ทางโลกปุ๊บอย่างไรเก็จะได้มีความรู้ไว้หางานอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็ต้องให้มีพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะคะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะอย่า ง, งไรก็สิบสิบแปดปีอย่าพยายามมากก็แล้วกันแล้วมันจะทุก ค่ะพอาจารย์ตอนนันก็บังคับเป็นเกณฑ์บังคับด้วยว่ามันต้อง18ปีอย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์ของที่นี่ค่ะอเป็นเกณฑ์บังคับของเขาค่ะบังคับแต่ถ้าพา่าแม่ไม่มีเงินส่งเรียนทำไงอ๋อที่นี่ที่นี่ตอนเนี้เจ้าตะ ว, วันนี่จะถือว่าเรียนฟรีก็ได้นะคะพอาจารย์เพราะารว่าที่นี่ทํางานเน่ยเสียภาษีประมาณ 40% เจ้าค่ะอืได้เงินมานนต้องเสีย 40% เจ้าค่ะหักไปค่ะพระอาจารย์มีแต่เราตกงานแล้วไม่มีเงินจะ เขายังได้เรียนปีอยู่เขายังได้ไปเรียนอยู่จริงแต่ว่าเขาจะมีค่าอะไรนิดหน่อยที่ต้องจ่ายเพิ่มกับทางโรงเรียนอย่างเงี้ยคะแต่ก็โอเคค่ะอาจารย์สมมถ้าเกิดพ่อแม่เป็นอะไรไปไม่สามารถส่งเสียได้แล้วเด็กจะไปอยู่ที่ไหนต่อเด็กอันนั้นอยู่ที่ไหนไปที่เชื่ออะไรจริ ง, รงๆก็อยากจะให้มาถึงวันนั้นเร็ว เขาจะให้ไปอยู่กับเด็กกำพร้าที่ไหนหรือเปล่าแท่านครับเขาอาจไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันสมสมุติโยงกับโยมคุณมาโก้ตายใช่ไหมเขาคงจะให้ไปอยู่กับทางทางญาติเขาก่อนทางญาติทางคุณมาโก้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์<อ>ถ้าไปอยู่ทางญาติเพราะว่าเขามีเขามีปูก่กับย่าแล้วก็มีทางทางป้าทางน้องสาวคุณมาโกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแนวนั้นก่อนนะคะพระอาจารย์<ม>แต่ถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่รับเนี่ยก็คงอาจจะไปอยู่บ้านอยู่แล้วก็หาพ่อแม่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ นี่เราก็บอกว่าตะวันถ้าคุณอยู่กับเราแล้วมีความสุขคุณก็ไปหาอยู่ได้นะบอกเขาเองอออืยู่แล้วพ่อแม่ไม่ให้อิสระใช่ไหมใช่ไหมมาครอบครูถึงถ้ายังอายุไม่ไม่พ้นสิบแปดนี่ทางอัทมาลก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ะถ้าเกิดใช่ค่ะตอนนี้ทางชายจะหาพราจารย์เราต้องรับผิดชอบใช่ค่ะเขาก็ต้องหาบ้านที่อยู่หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พักที่อยู่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะพรอาจารย์อืมอาจจะไปเป็นเดตกาพร้ามีคนมา เอาไปอยู่ใช่ค่ะพัชร์มีเพราะว่าเด็กที่นี่ก็มีนะคะบางทีพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหวหรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศหาทั้งรัฐบาลอะไรอย่างเ่อแมคุณทใช่ค่ะอาจจะไปอยู่ทั้งศูนย์ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีมีคนที่กอบกู้มาแล้วพี่น้รงลูกก็มาคอนร์มไปใช่แล้วถ้พ่อแม่ดูร้ายโหดร้ายทารุณเขาก็จะเอาลูกออกจากพ่อแม่ไปด้วยใช่ไหม อช่ค่ะพระอาจารย์มันก็เวรกรรมบางิีไปแล้วไปเจอไปอยู่กับพ่อแม่ที่เขาไม่ไม่มีความเมตตามันก็มีอยู่เหมือนกันหรือไปทําไปทำร้ายอะไรอย่างนมันก็มันก็พอมีอยู่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ใช่แน่นอนค่ะมันก็คุณบุญกรรมบางทีมันก็เป็นบุญกรรมของเขาใช่ค่ะพรอาจารย์ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ต้องมีปัญหานอะใช่ค่ะพระอาจารย์บางเป็นปัญหาทางสังคมนี่ อยู่กับประเทศที่ไม่ค่อยจะอะรมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากกว่านะอย่างเราอยู่กันแบบอยู่แบบชาวบ้านนี่เขาก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไป้เขามีครอบครัวใหญ่เขามีครอบครัวใหญ่อที่นี่ตอนอเด็กๆสมมุติว่าเราจะไปตอนแต่ก็เป็นโอกาสมันก็เป็นก็ดีนะคะเพระาะอาจารย์ว่าเอย่างตอนนั้นโยมทํางานใช่ไหมคะอาจารย์แล้วตอนนั้นโยมทํางานโยมก็ยังไม่อยากออกตอนนั้นคือมันท้องท้องคือตั้งท้องตั้งพันเจ้าตะวันเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็ไปบอก ไปบอกคุณย่าว่าขอให้ช่วยดูแลเขาเลี้ยงเขาสักสองวันหนี้ได้ไหมสองสัปดาคือเราอยากจะทําหารายได้ต่ออย่างเงี้ยอื่อพอดีเขาเหมือนเขาอายุมากแล้วเขาก็เลยปฏิเสธไปะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยทําให้โยมต้องคิดว่าเออถ้าจะไปไปให้คนอื่นเลี้ยงเราไม่ไว้ใจก็เลยขอออกมาดูเจ้าเจ้าคนนี้แบบแบบฟูทามนะคะพระอาจารย์อืมก็ถือเป็นโอกาสดีไปเพราะว่าเราได้เราได้แบบสอนเขาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์อืมอืม ก็ถือเป็นโอกาสดีไปเช่คะ่ะโอเควันนี้มีมีธรรมะาะมาถามหรือ่าธรรมตะ ว, วันนี้หมครับผมมีหนึ่งคำถามครับ่าม า, ม า, มาถ้าผมทำสมาธิมันมีความคิดมากเลยมาครับผมต้องทำอะไรครับเรใช้พุโทโธแทนอย่าไปคิดคิดพุดโทโธแทนหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดอาการทาทิบสองไปก็ได้ผมขนแลนฟันหนังเองกระดู กลับไปกลับมาอยู่เรื่อๆยๆจำกัดความคิดจะหยุดคิดเราค่อยหยุดได้ถ้ามันยังคิดอยู่ก็สู้กับมันด้วยสวดมนต์ก็ได้เอทิปิโสหลังสัมมาสวากขาโตไปอาการหายไสองไปแล้วนะแต่เราจําอะไรได้ก็สวดไปสวดไปนั่นเองจะนั่งเฉยๆแล้เดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะเบาลงแล้วก็จะหายไปในที่สุด หายแล้วเรากลับมาดูลมหายใจต่อกันได้ท่านนั่งดูลมต่อได้เรื่องกลับมาพุโทโธพุโทโธคําเดียวก็ได้ได้ครับหาใจไหยใช่ครับเิีวยวทําทได้ไหมคิดว่าได้ครับคิดว่น่าลองทำดูในที่สอนให้สวดมนต์กันจะได้เวลานั่งสมาธิถ้ายังดูลมไม่ได้อย่างพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนอื อ่าคุณแม่มีอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรค่ะยังไม่มีอะไรสักข่าษาจก็มันก็มีมันก็พอมีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ยังพอผ่านไปได้ค่ะพราษารมันจะเป็นเรื่องเรื่องความความโกรธซะมากกว่านะค่ะภาษารอืมก็ยังมีเรื่องควา ม, วามโกรธเดียวมีมีความโกรธเอ่อราคาก็มีเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ ก็ S <S ยังมันมาเป็นปอเ ป, ปอแล้วก็ก็แก้ไปได้บางทีก็บางบางทีก็ใช้เวลานานหน่อยอ่แต่บางทีก็ส่วนใหญ่มันก็ก็ก็ไม่นานนะคะพระอาจารย์ันก็มันต้องมันใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งความอดทนนะคะพระาอาจารย์สู้กับมันนะคะอืมดีชีวิตต้องสู้นะตามใจยังไม่ทุกอยู่ก็ต้องแล้วเราปฏิบัติไปเท่าก่อไม่มีทุกข์แล้วถึงจะหยุดการปฏิบัติได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมตตา พอความโกรธมันมาบางทีเราไปข้างนอกอย่างเนี้ยเราไปเจออ่อะไรอะหมายความว่าไปเห็นกิเลสของคนอื่นนะคะพระอาจารย์ที่เขามาปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างเนี้บางทีมันเห็นกิเลสของเขาปุ๊บมันก็เลยรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา hmm. แต่ว่าตอนนั้นนะคือเราอยากจะชนะใจตัวเองเราก็ไม่ได้โต้ตอบกลับไปอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ hmm. แต่ตอนนั้นความโกรธมันยังไม่มันยังไม่ม สติยังไม่ทันปัญญาไม่พอมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่หายไปทันทีกลับมาบ้าน ป, ป, ปุ๊บก็จัดการพิจารณาปุ๊บอะไรไปมันก็มันก็ได้ค่ะพระอาจารย์มันก็หายเลยแล้วก็ไม่ได้คิดหวนคิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกนะคะพระอาจารย์อืมอืมก็ที่โยมใช้คือโยมก็คิดว่าเขาว่าทําไมก็พี่เาเอ้ยทาไมก็ถึงทําแบบนั้นนะคือเรามองในความรู้สึกของเราว่าการกระทําของเขามันไม่ดีเพียงแต่ว่าเราก็พยายามคิดทําไมเขาถึงทำแบบนั้นมันเขาจะต้องมีแบบความทุกข์พอเขามีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ ไปหาวิธีที่แบบหนีความทุกข์เพื่อไปหาความสุขแล้วการหาความสุขของของของมนุษย์ที่แบบทุกวันเนี้ค่ะอาจารย์มันมันเป็นความสุขที่คิดถึงแต่ความรู้สึกของของตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยเจ้ค่ะพอาจารย์แล้วคนที่ไม่เคยรักษาศีลไม่มีไม่ไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยทําสมาธิเนี่ยเขาก็ต้องอใช้วิธีหาความสุขที่มัน เรียกว่าขอให้ตัวเองสุขก็เป็นพออย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ได้คํานึงถึงความสุขของคนอื่นพอเราคิดตรงนี้ปุ๊บล้วก็คือเขาไม่รู้ว่าค่ะพระอาจารย์คือทุกคนกับอย่างอย่างโยมกับของทุกคนเนี่ยโยมเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันมีความเหมือนกันก็คือมันมีความทุกข์เราเรามีความทุกข์ทุกทุกคนจะมากจะน้อยแล้วก็ต้องการความสุขต้องการไปหาความสุขอย่างนี้จะ ข, ขาดพระอาจารย์แต่การปฏิบัติเพื่อการเพื่อเพื่อจะได้ความสุขนั้นเนี่ยแต่ละค น, นมีวิธีต่างกันนะคะพระอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่า อ่าสติสินสมาธิปัญญาแต่ละคนอ่ะมีหรือไม่มีอะค่ะพระอาจารย์พอคิดได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็อภัยให้อ่ะค่ะพระอาจารย์ว่าเขาไม่รู้อะค่ะวิธีการหาความสุขโดยที่ไม่สร้างบาปการรมเพิ่มนะคะพระอาจารย์ใช่เอาพูดแล้วจะไปหาความสุขจากการทำบุญทําทานอ่าจากการรักษาสีนไม่เบีย ด, ดเบียนผู้อื่นค่ะพระอาจารย์สมาธิกันอืมหาคนที่ไม่ได้ศึกษาก็จะต้องไปหาเงินหาทองหา หาสิ่งตา่างๆมาเสพวันทีก็ไปหายาเสพติดหาเลยกลายเป็นโทษหนักขึ้นม่อีกกลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นไมาอีกปัญหาเพราะเขาไม่มีไม่มีที่พึ่งทางใจใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีเขาค่าความรู้เขี่ิดว่าความรู้ทางโลกพอที่จรักษาตัวเขาได้รักษ<ช> า, าได้แค่เป็นแต่หาเงินมาเลี้ยงปากเลื้ยงท้องให้แทนเลี้ยงปัญหา ทางด้านจิตใจนี่แก้ไม่เป็นอ่ะได้ค่ะมันทุกมันทุกมากคือถ้าถ้ามันเป็นแบบแรกเห็นกริยาเขาเนี่ยมันจะไม่พอใจขึ้นมาไปเห็นกิเลสของเขาอย่างเงี้ยแล้วบางทีพิจารณาไปเออมันไม่ต้องไปสื่อไม่ต้องไปถือสาเขาเพราะว่าเขาไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มันก็วางเลยอืตอนพิจารณาที่บู้น้ําตามันไหลเลยค่ะพระอาจารย์บางทีทสงสาทุงสาทุงสามากเลยพระอาจารย์ทงสารสงสามนมันมันไม่เข้ามาถึงใจเราว่า เราไม่น่าไปโกรเลยนะเมื่ีพิจาราไปพิจารมาคือหาความเหมือนกันของของมนุษย์ทุกคนนะคะพระอาจารย์แล้วมันมันเห็นชัดว่าอย่างเราเราก็มีความทุกข์แล้วถ้าไปเทียบความทุกข์อะขอคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเลยอย่างเงี้ยมันหูเขาจะทุกข์ขนาดไหนพระอาจารย์ mm hmm. เขาต้องดิ้นรนในการหาความสุข mm hmm. แล้วพรสวรรที่เขาได้มันเหมือนมันเหมือนเหมือนกับป๋าที่เขาเห็นเห็นเหยื่ออย่างเงี้ย แล้วแบบเขาหิวอยู่เขาทรมาร่ะแล้วเขาไม่ได้มีสติปัญญาพิจารณาเขาไปหไปฮุบไปไปงับเหยื่อตรงนั้นน่ะแล้วเขาจะยิ่งทุกข์หนักเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่ามันมีเบ็ดมันทําให้เขาว่ายิ่งยิ่งทุกข์หนักยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์สติเขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีก็เลยเห็นมองอย่างนี้แล้วมันสงสารจ้ะค่ะพระอาจารย์อืมค่ะโอเคในค่ะแล้วก็พระอาจารย์มันมีอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าอย่างเออ คือโยมอะ่ะเคยไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบคนอยู่คนนึงแล้ว ก, ก็นานพอสมควรพยายามหาวิธีทุกอย่างเลยมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมยังรู้สึกมไม่พอใจอยู่จนวิธีที่ได้เหมือนเหมือนเหมือนจะแบบใช้ได้ผลนะคะพระอาจารย์คือโยมมองว่าเหมือนเขา อ, ะอ่ะเหมือนคนที่ไม่ไดอดอาบน้ำใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็มีความสุขปกติทางร่างกายแล้วคนที่ เหมือนกับว่าเขาเ้าไปอุจาระมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลาเขาไม่ได้เขา อ, อุจาระทิ้งไว้ใช่ไหมคะพระจารย์แล้วเหมือนเราไม่พอใจเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไปดมอุจจาระเขาแล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บแล้วขกาอุจาระของเขาอ่ะเอามาใส่เอามาใส่ถุงไว้แล้วเราก็นั่งคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจโมโหเขาอย่างเงี้ยาระจารย์เหมือนเราแบบเปิดถุงอุจจาระเขาแล้วมันนั่งดมอย่างเงี้ยพระอาจารย์โยมก็คิดว่าทาไมมันโง่อย่างงี้พอมันคิดเปรียบเทียบตรงนี้ได้โยมก็ว่าตายแล้วทำไมมันโง่อย่างง พอแบบสัญญาไปปรุงเรื่องเขาใช่ไหมคะพ่อจ า, ามีอยู่อยู่ปุ๊บไปปรุเรื่องเขาคนที่เราไม่ชอบอะ่ะ ม, มันก็มันเครื่องคงอยูขึ้นมามันเค ข, ขึ้นมาคือโยมพยายามหาวิธีแบบแบบเยอะมากจนลองเอามาไอตัวเดีย ไ, ไอตัวที่ว่าอะไรอ่ะเป็นอุจจาระของเขาเอามานั่งโดมอะ่ะกลับมาบ้านปุ๊บเจอเจอเขาปุ๊บกลับมาบ้านเอาอุจาจาระใส่ถึงเขามานั่งดมแล้วก็มาปวดว่ามันเหม็นมันเหม็อนอย่างเงี้ยคือก็แบบโยมว่ามันโง่อะ่ะพ่อจามแล้วก็แบบพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บนะ รู้สึกมันอุ้ยมันมันมันมันเป็นเดือนแล้วที่ว่าไม่ไม่ไปไม่ไปเองี่เขาอะค่พะพชาานมันคิดมันได้ผลนะคะพะชานสําหรับโย่ใช่โย่น้นองช้าสองเจ้าพวกของสรอกระปุกทั้งหลายได้เห็นในท้องสกระปุกแล้วจะได้ปล่อยวา ง, งาาใช่ค่ะพชานใช่ค่ะบางบางทีเรามองเขาเอ๊ะมองเขาเหมือนหมามองเขาเป็นเป็ดมองเขาเป็นอะไรเงี้ยคือพยายามมองมองเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย พระอาจารย์คือยมหาวิธีเยอะมากมันไม่ได้มันไม่ได้เลยจนมาอันเนี้ยโยมก็คิดเอ๊ะทำไมอันนี้มาได้ผลโยมก็มาคิดว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้เริ่มภาวนาโยมไปอ่านธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราอาบน้ำ วันละสามหนสองสามหนทําไมจิตใจถึงไม่ยอมชําระล้างบ้างด้วยการทำสมาธิภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้โยมาเริ่มมาภาวนาใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าจริตของโยมมันเป็นแบบชอบรักษาความสะอาดการเอ็ะเอาไอ้ตัวเนี้ยของเหม็นมาพิจารณาอย่างนี้ยค่ะให้เกิดความเมตตาให้ภัยอุเบกขามันก็นคิดว่าอาจจะช่วยสําหรับจริตของโยมได้ค่ะพระอาจารย์อืมไม่ดีแต่คนไหนจะต้องหาอบายที่เหมาะใช่ค่ะใช่ครับพระอาจารย์ ือแล้วมันอันนี้มันเป็นมานะไหมค่ะเพราะเรามองว่าเขาว่าสุกโปรกแต่เราว่าสะอาดกว่าเขาอย่างนี้ค่ะพระอาจามันต้องเป็นมันเป็นมันเป็นมานะใช่ไหมคะอย่างเนี้ยมันเป็นไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่เลยกังวลเรื่องมานะตอนนี้เรากำลังเรื่องความกรธให้น้ำตาลกำจัดความกรธเึ็นเครื่องมืออะไรที่สามารถทําให้กำจัดได้ก็ใช้ไปก่อนออถ้ามันเครื่องมือตัวี้เราเป็นปัญหาต่อไปก็เข้ามาแก้กันใหม่ มันไม่ฟุ้งแล้วค่ะมันไม่ค่อยฟุ้งคือปุ๊บอาบไปโดนไปนองอุจจาระเข้าอิ้วอะไรอย่างเงี้ยอาบแล้วโง่แล้วโง่โง่แล้วโงไปทดนเขาทำไมไปโดนเขาไปบ่อยเขาไม่อยากอาบน้ําไม่อยากล้างก้นคือเรื่องของเขาไปไม่ต้องไปโดงเขาตัวใครตัวมันซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีวิธีพระชาโยงก็ขำเหมือนกันแต่มานใช้ได้นั่นี่งมันเป็นเดือนแล้วมันก็ยังมันก็โอเคอยู่นะตอนนี้ค่ะพระชาไม่เปเล่นกับอุจจาระอะไรนี้อะไรนะคะไม่เป็นเล่นกับอุจจาระอะ ไม่อะไรไม่พระอาจารย์โยมไม่เข้าใจนะคะพระอาจารย์เพราะมันไม่ไปคิดถึงเขาอ่ะเพรเป็น อ, อุจจระอ๋อไม่ถึงว่าเขาไม่ถึงวเวล า, าการกระทําของเขาที่เป็นกิเลสของเขาอย่างเงี้ยพระอาจารย์มองว่าเป็นอุจจาระค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคือคือก่อนหน้านั้นโยมโยมไม่ได้ชอบนิสยัยเห็นแกตัวของเขาอย่างเงี้ยใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองว่าพอคิดถึงเขาพุ๊บทำไม่ยิ่งแกตัวอย่างงี้อันเนี้ยพอคิดปุ๊บมันก็ยิ่งฝุ้งมันก็ทุศามันก็ยิ่งเกิดมากนะคะพระอาจารย์เลยเปลี่ยนเป็นอ่าอุจจระเอ่เปลี่ยนว่าความเห็นแกตัวของเขาอย่างเงี้ย เปลี่ยนมาเป็นว่าเข า, เามีอุจจาระเต็มเต็มตวงเขาแล้วเขาไม่ยอมล้างอย่างนี้จะค่ะพระอาจารย์เปลี่ยนอย่างนี้มันก็เหมือนกลายเป็นธรรมชาติไปอะค่ะพระอาจารย์แบบที่พระอาจารย์จะจะจะสอนนะคะมองอย่างนี้ปุ๊บมันก็มันก็โอเคมันก็มาดา่าตัวเองมากกว่าว่าเราโง่เองไปดมอุจจาระของเขาทำไมอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์อืค่ะดโอเคค่ะมีอะไรไหมไม่มีแล้วคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมันจะนานนะคะเพราะว่าคุยก็พอสมควรแล้วคะ่ะพระอาจารย์ โอเคเรานนะค่ะน่ารักมากนะหม่าานะค่ะพระอาจารย์ขอประคุณพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนำโยมเพิ่มหมคะพระอาจารย์าโยงคุยมากแลยังไม่ได้ฟังพระอาจารย์เท่าไหร่เลยคะ่ะ <c oughs> ก, ก็แก้ ป, ปัญหาไปเรื่อยๆมีปัญหาตัวใก็แก้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ป, ปัญญาวิเคะ่าใช้วิธีการดูมันแบบไหนที่จะทาให้เราไม่ไปทุกข์กับเขาค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพระา <Okay. S 2> อาจารย์โอเคนะ แลค่ะพระาจาขอขอบคุณมากจ้ะคอาจารย์ขอบคุณค่ะไปที่คุณจิ๊บต่อจากฮอลแลนด์ไปมาีแลนด์ขอบคุณทุกท่าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เจอพราจารหลายอาทิตย์เลยแบบสวัสดีพี่ไม้ย้อนหลังนะคะวันนี้ปาะสิเรียบร้อยใช่ไหมสิบห้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยอาจารย์ช่วงปาะสิทธนี้แบบโอ้ย คนนี้แบบเลิกเงินทองมาแต่บาทสองบาทก็ไม่ได้แบบโอ้ยยมแบบเห็นคนแล้วก็แบบแปลกนะเจ้าคะแบบคนนี้เขามีเงินเยอะๆนี่เขาก็แบบมย ม, มขเขารู้สึกว่าใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะพระจานทร์มันคือคำนี้จริงๆนะคะแบบคือของอเมริกาคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีรายจ่ายต่อปีแบบ เหมือนกับเกณฑ์ที่เขากําหนดใช่ไหมคะสมมติ mm hmm. ว่าโยมยังเคยถามเลยสมมติโยมอะ่ะเป็นคนไรายได้ไม่มากใช่ไหมคะแล้วโยมก็เคยถามคนที่ทําภาษีให้โยมว่าเฮ้ยถ้าเราไปบริจาคสมมติบริจาคของที่เราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาที่เอาใบเสร็จามามาเคลมเพราะทุกครั้งที่ไปบริจาคเขาจะถามว่าโย่จะเอาใบเสร็จไหมเอาไปทําภาษีได้นะอะไรเงี้ยโยมก็ไม่เคยเอาเลยแล้วโยมก็ถามพลังค่ะคนทำบัญชีของของโยมว่า เฮ้ยสำหรับตัวเคสของโยมเนี่ยสามารถเอามันเอาใปใบกำบับกับภาษีไปใช้ได้ไมันบอกไม่ได้เพราะว่า ย, ไไไยูไม่ได้มีรายได้ยูไม่ได้มีรายจ่ายเยอะมากในแบบในปริมาณที่สามารถเอาใบเสร็จมาเคหมได้โยมก็อ๋อแต่พอดูของพอยมมาทําบริษัททาบัญชีใช่ไหมคะโยมเห็นคนที่เขารวยรวยยรวยแบบบริจาคเงินเยอะมากแต่เอาใบเสร็จทุกครั้งที่บริจาคค่ะพระอาจารย์แบบหมื่นสองมื่นอย่างเงี้ยมาเคหมภาษีตลอดเลยโยมก็เลยแบบ อย่างนี้มันถือว่าได้บุญไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้าเขาไม่ได้จ่ายเขาก็ไม่ได้บุญถ้าแล้วแล้วได้เงินคืนไม่ว่าจะจ่ายแล้วเขา เ, ขาเขางินคืนใช่ไหมคะโยมก็เลยแ<ม>บบอ้าวคุณไม่ได้ตั้งใจจะให้ด้วยจิตศรัทธาแบบไม่ไม่ได้วิจารณ์เขานะคะแต่สําหรับโยมคืโยมแบบให้แล้วให้เลยไม่เคยแบบว่าจะเอาใบภาษีกลับมาอะไรเงี้ยแค่แบบเอ๊ยทำไมบางคนเขาสามารถเคลมได้ก็เลยสงสัยว่า อที่แท้เขามีรายรายจ่ายต่อปีคือขณะคนทําบัญชีโยมบอกว่าต้องมากกว่าสองหมืนสามพันเหรียญต่อปีถึงจะเอาใบเสร็จพวกนั้นมาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะมยมก็เลยโอเคนคนยก็ไม่เข้าใจเขายัางตนเนยยังฮ้องอยู่ใจนึงก็อยากจะทําบุญแต่ใจนึงก็อยากจะเอาคืนใช่ไหมคะ่ะยมโยมก็เลยโอเคทําไปรอบนึงแล้วเอาคืนมาห้าสิบก็ถ้าจะทำห้าสิบได้อนนี้ คือเราก็แบบเออเราสร้างสร้างบนบ้านบนสวรรค์ของเราเอาสร้างแล้วหลังคาหลุดไปแล้วอย่างนี้แบบเอๆๆๆเอก็ก็เห็นเห็นๆๆเขาเรียกอะไรนะคะเหน็นศัตธรรมมาค่ะพระอาจารย์แล้วว่าก็บางคนยมก็คือเราเข้าใจนะคะว่าอยู่บนโลกมนุษย์มันเรื่องเงินมันก็สําคัญมันไม่ใช่ว่าไม่สําคัญมันก็สําคัญเลยอะค่ะ แต่พอเจอคนเยอะๆที่เขาโลภมากๆยมก็แบบเออมันก็เริ่มโปรงเหมือนกันนะมันก็ต้องรู้จักความพอดีเงินทองก็จำเป็นแต่มีกานมากเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ค่ะใช่ค่ะไปทำประโยชน์ทำบุญดีค่ะได้ประโยชน์ใช่ค่ะโยมก็เลยไม่เป็นประโยชน์ตายไปก็ไปไม่ได้มเวถ้ามีเงินกถ้ามีการมีเงินกันไม่มากกินไปก็ ทางเดียวคือไปทำบุญนะดีที่สุดค่ะห้ขาดทุน<า>บุญนี่เป็นของเราบุญยังเป็ของเราอยู่ค่ะเราติดตัวไปได้เวลาเราตายไปแล้วค่ะใช่ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ยุ้งก็พยายามคิดอย่างนั้นนะคะ<ม>ขอแค่ว่าเรามีความคล่องตัวทําอะไรก็ไม่ปิดขาดแค่นี้ก็พอเวลาทำบุญก็อย่าไปขอหาเวลาหารถราษีให้เสียเวลาเลยใช่ค่ะ อ่โยมไม่ขอไม่ยอมไม่ขอหรอค่ะโยมก็แบบทุกครั้งก็แบบเออให้ไปมันแบบมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเราเราทําบุญนะเหมือนกับจริงๆมันเป็นของใช้แล้วด้วยที่เราแบบไม่ไม่ต้องการแล้วอะไรเงี้ยค่ะโยมก็เลยมองว่าเอาเราเอาของใช้แล้วไปให้เขาแล้วเราเราจะไปขอไปเสกมาอีกหรอใช่ไหมคะผมก็ไ ม, มไม่รู้ไงผก็ไม่รู้เขาคิดว่ามันเป็นสิทธิของเขาใช่ค่ะมันหางหางเงินได้ ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มันก็มันก็ว่าเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบมันเอื้อให้ทําได้อะไรเงี้ยนะคะอืทางรัฐบาก็ต้องการที่ส่งเสริมให้คนทําบุญนัก็เลยยอมค่ากระเป๋าออกให้ส่วนหนึ่งให้กระเปาเตมเต็มกลับไปใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็มันก็มันกแ็แล้วแต่ของเขานอะแต่ยงก็แบบเออโอเคก็มองมอ ง, มองแล้วแบบก็ แม้แต่ใบเสร็จที่แบบเวลาสมมติเราไปซื้อในร้านสมมติร้านจ่าย 7-11 ีเลเวสมมตินะคะเขาก็จะถามเราว่าคุณอยากต้องการจะแบบว่าบริจาคหนึ่งดอนสองดอนไรมอะไรเงี้ยค่ะคนบางคนก็เก็บใบเสร็จพวกเนี้ยมาเคลมภาษีเหมือนกันด้วยคะ่ะเพราะใจอ ย, ยู่กับโหมแม่ถ้าดอนหนึ่งยุมก็ยังเอาเลยหรออ ย, <c oughs> ย่างเขเออว่าถือว่าเป็นบทบุอะไรนะคะบททางธรรมให้มาสอนใจตัวเองให้แบบ จเจริญปัญญาไปได้แบบเนี้ยค่ะให้งเงินที่ที่เราไปหักภาษีนี่มันหักยอดรายได้ของเราให้มันล ด, ล ด, ลดน้อยลงไปไหรือยังไงยมคิดว่ามันเอาไปทาําภาษีแบบไปหักว่าเรามีรายจ่ายแบบเยอะอะค่ะใช่อ่าจะได้ลด น, น, น้อยจะได้เงินที่เราจะต้องไปจ่ายภาษีน้อยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่มันเหมือนกับเรามีรายจ่ายเยอะจริงๆ<อ>นะเรา เพราะฉะนั้นคุณอย่ามาหักภาษีเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นนนคคนละขั้นมันมีภาษีหลายขั้นด้วยกันแล้วก็ใช่ค่ะ 30, 120, ใช่ค่ะเ่งร้อยสามสิบมาเหลือร้อยยี่สิบาณใช่ค่ะเขาจะมีเหมือนกับเขาจะมีแบ่งระดับรายได้ของแต่ละคนนะคะรายได้เท่านี้หักเท่านี้รายได้เท่านี้หักเท่านี้ยิ่งคุณมีไรายได้มากคุณก็ลดหย่อนได้เยอะอือแบบมีทางซิกแซกได้เยอะยิ่งเป็นเจ้าของกิจการนี่คือแบบได้เยอะมากค่ะเป็นแบบ เดียอะมากค่ะแต่ทางสา ย, นยคนทําบัญชีอย่างคนอย่างคนจุ๊บอย่างคนจิ๊บแนะนำอ๋อจิ๊บหนุยมเยวไม่ได้ทําบัญชีค่ะแต่ยมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นหน้าเป็นด่านหน้าของของบริษัทอะค่ะแบบว่าลูกค้าจะด่าก็มาหาเราก่อนเป็นรีเซพชันเนาะใช่คือเหมือนกับยมทําทุกอย่างอะค่ ะ, ะง่ายๆว่าเป็นเบสแต่อย่างเดียวที่ไม่ได้ทําคือเรื่องเงินของเขายมไม่ได้ทำํำยม <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดเขาตามเงินเขาไปตามกับพนัก ง, งานบัญชีไม่ได้ยมก็จะเป็นคนที่แบบจีบเธออุ้ยฉันตามเจ้านายเธอไม่ได้เลยอุ้ยยมก็โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจอดให้นะคะเดี๋ยวตามให้นะคะยงก็แบบว่าเอาิเคทั้งที่เราไม่ได้ผิดแล้วก็แบบเหมือนพเหมือนอาจารย์บอกอะค่ะยอมหยุดเย็นยมก็ยอมหยุดเย็นปะทำตัวเป็นเจ้าว่าแล้วจะสบายใจ ใช่ค่ะก็เป็นแจวเขาจ้างให้เรามาเป็นแจวก็เออเป็นแจวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่แจวทั้งทางบ้านแล้วก็จะไปทำงานด้วยแจวทุกคนแจวทุกคนแจวทุกคนใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่แจวแจวไม่ได้แจวเรื่องปากนะคะแจวเล่นยอมเขาเนี่ยยอมนี่แหละยอมจนรู้บอกว่าไม่ยอมเลปากไม่ยอมปากยุ่งก็ยอมค่ะยุ่ไม่ได้ปากแจวครับค่ะพี่จัน โยมแบบว่าปากสงบเสงี่ยมมากเลยยกเว้นถ้าเวลาขับรถอาจจะมีคนมาแซงอาจจะหนุนห ด, ดินหน่อยอถ้าแบบวปากหน้าเล็กน้อยเงี้ยค่ะ <ไป S 1> ยกนิ้วให้เขาแบบยกนิ้วให้เขาแบบไม่ค่ะโยมไม่ยกเลยค่ะพระอาจารย์งนิ้วสั้นยกไปเขาก็ไม่เห็น <laughs> <laughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่จุกพ่อค่ะ <laughs> ยไมไม่โอเคค่ะ ก, ก็เลยบอกว่าหนุ่าเขารููเคยพูดนะคะว่าจะลูกสาวนัารทานใช่ไหมคะลูกบอกอมแม่หนูถามจริงนะแม่บ่นเวลาเขาแบบมาตัดหน้าประทานหนอยสมมติเนี้ยแม่บ่นเขาไปอ่ะเขาไม่ได้ยินนะแม่หนูไม่ได้ยินยักัเออใช่จะต้องลูกพูดถูกจะ <laughs> ให้แม่เปิดกระจกไปว่างเขาเหรอเขาไปแล้วเี <laughs> ้ยลูกบอกแล้วแม่จะบ่นทาไมเขาไปแล้ว <laughs> ก็เออใช่เนอะบางครั้งเด็กที่อยู่น้อยกว่าเราเขาก็ให้ข้อเตือนสติที่มันแบบว่าโดนจังๆเหมือนกันนะคพระอาจารย์ก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์คิดถึงพระอาจารย์นะคะเราลึกถึงพระอาจารย์เสมอะคะ่ะก็ดีใจที่ได้สนทนาขอบคุณคุณนกด้วยนะคะพอดีโยมขับรถขับอะไรก็แบบไม่สะดวกที่จะคุยก็ต้องขอโทษ ด, ด้วยถ้าบางทีแบบหน้าจอมันสั่นไปสนมานะคะ ค่ะค <Okay. S 2> ่ะขอประจานท่าส์ขันแข็งแรงนะคะถ้าสลินทอนน่าจะเข้านะคะถ้าไม่เข้ า, เ, าเข้าแล้วใช่ไหมคะออาาโอเคค่ะค่ะค่ะขอพระคุณคลนะคะขอประจานท่าส์ขันแข็งแรงค่ะนี่จะไปทำงานต่อเลยขอเริ่มไปทํางานต่อเลยถึงที่ทํา ง, งานแล้วมาหยุงจอดรถอยู่ใต้ใต้รถนะไม่กล้าไปยืนหน้าตึกแล้วยกมือไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาถามว่าไว้จงทีจะทั้งหิวไอ้เทวดาภาษาไทยหรือเปล่า ก็เลยรออยู่ในรถ ด, ดีกว่าค่ะพู้เล่นค่ะจางยงแค่บอกว่าอยู่ในรถมันสะดวกกวีมากกว่าค่ะแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำไมทำไมทไม่เข้าเข้าสายเลยไม่ยังแถค่ะพอดีว่ายมไปแวะซื้อของเข้าออฟฟิศค่ะื mm hmm. ก็คือจริงๆเข้าแปดโมงครึงแต่ว่าพอดีว่าร้านมันเปิดเก้าโมงอะค่ะก็เลยแวะแวะซื้อของเข้ามาก่อนแล้วค่อยเข้าออฟฟิศนะคะ่ะก็เลย mm hmm. วันเราพ<ด>วันพุธเ ข, ข้อสายได้ไม่มีข้ออ้างเอาได้คลิกกับพระอาจารย์เลยค่ะเ <Okay. S 1> ข้าสายก็นิดนึงค่ะแต่ว่าบอกเขาแล้วค่ะว่าแบบเออว่าถ้าวันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อของน้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค <Okay. S 1> ่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ทูตุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ลูกยมก็จะสิบหกแล้ว่ะก็แบบทาใจฮะทำใจนะ อันจ๋เดี๋ยวมาไม่อยากมา้ลูกเลยลูกชายแบบโทรศั์บอกว่าไม่ให้มีแฟนยังจะมีแฟนอีกเร้แบบไม่หจิตใจคนคุมไม่ได้ไปแล้วค่ะพระเจ้าค่ะลาติสซ่าเออใช่ค่ะลทติสซ่านะระเาอ้าอชิญจะมีลูกไว้ลูกไม่มีไม่มีค่ะอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่า หกเจ็ดปีค่ะพ่อหกเจ็ดปีแล้วไม่เอาไม่คิดอยากจะมียังค่ะยังนะโอเคเพราะอะไรก็เห็นว่ามันทุกข์อะมันทุกข์อะก็อันนั้นก็เห็นค่ะพ่อจังก็ดีก็น่าจะน่าจะทุกข์มากกว่าสุขอ่ะค่ะเออทุกข์กวจะได้วาชรานได้วัชราก็คือว่าโง่ o เห็นทุกว่าเป็นสุขเนี่ยวันนี้ก็อยากมันเป็นทุกข์หมดในโลกนี้นใช่ไหมมีอ ะ, อะไรก็ั่งทุกข์กับสิ่งที่เรามีทันทีค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะแต่อวันเสาร์ไปฟังธรรมก็ค่ะจริงๆก็คืออยากพาแฟนไปนั่งสมาธิด้วยค่ะคือไปแต่ละรอบเขาก็จะบอกเขาบอกว่าได้เทคนิคการนั่งสมาธิ รอบก่อนก็บอกนั่งนั่งสมาธิแล้วก็นับหนึ่งถึงนับไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์รอบนี้เขาก็บอกได้เทคนิคใหม่สงบกว่าเดิมคิดว่าเหมือนร่างกายเป็นเหมือนเครื่องยนต์ก็แบบเหมือนต้องหายใจช้าๆเบาๆเพื่อผ่อนผ่อนผ่อนเครื่องยนต์แบบวิ่งมาเร็วก็ต้องให้มันวิ่งช้าลงเนี้ยก็ก็ดีก็ก็ก็บางทีก็ช่วยกันคิดเทคนิคต้องลองทําดูแล้วถึงจะคิด ถึงวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงดีใช่ค่ะมันต้องลงมือปฏิบัติอ่ามันจะมีประสบการณ<อ>ต่อไปก็เก่ ง, งบางทีเทคนิคที่เขาแชร์มาเราก็เอามาใช้ด้วยอย่างเงี้ยก็ก็ดีค่ะก็มาทดลองเหมือนกันดีโอเคแล้วเทคนิคที่เราบอกใช้ได้บ้างไหมที่เราบอกให้สวดมนต์ไปบ้างถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังพูดโธไม่ได้ หมายถึงที่ยอมบอกเหรอคะอาจารย์ที่เราบอกอะที่บเราเทศสอนเนอะอ๋อเอาไปใช้แล้วแบบเข้าใจหรือเปล่าก็ใช้ค่ะแต่ปกติจะไม่ได้สวดมนต์กับอาจารย์ก็จะดูลมแล้วก็พุทธูแค่นั้นนะคะอืมดูดูลมได้ก็ไม่ต้องสวดค่ะใจไม่โคงไม่เค็มมากค่ะก็ก็มีหลุดไปก็ดึงมาหลุดไปก็ดึงมาอย่างนี้ค่ะ มันยังไม่ได้ต่อเนื่องได้ยาวอะคะ่ะพระอาจารย์มันถูกนั่นหนึงมาถูกห น, หนั้นดึงไปนะค่ะมันยังว อ, อกแวกดิ๋วคะ่ะอรู้ตัวเลยวนะว่าเป็นยังไงใจของเราค่ะมันอ<ะ>นั่งสมาธิเราเสียเรือว่าใจเราออกเป็นยังไง <c oughs> นง <c oughs> ิ่งไม่เน่งใช่ค่ะดีนะนั่งสมาธิได้ได้ประสบะการณ์หลายอย่างเกี่ยวกับจิตใจของเรารู้จักตัวเรามากขึ้นดีมากขึ้นค่ะ มันเป็นการอยู่กับตัวเองนะค่ะอ่าจมาอยู่เฉยต้องมีความสุขไม่ได้คนเราแปบอยู่ไม่เป็นสุขนะต้องหาโน้่นหานี่มาทำใช่ใช่ที่หามาเป็นยังไง ม, มันสุขหรือเปล่าในสมรรถกากบทุกอย่างค่ะเหมือนที่พราอารย์บอกกินปาลาเม้างอ่ความสุขแบบมกม้างนะใช่แล้วก็อะไรนะลูกอมเครือบ อยากผมข่มเพื่อมาต้ามันก็เป็นประมาณแบบนั้นนะค่ะพระอาจารย์มันแกมทุกมาด้วยอช่ทุกอย่างที่เราหานอกจากคํามสงบเท่านั้นที่เป็นเป็นปลาแบบไม่มีกลางนอกนั้นก็เป็นเป็นปลาแบบมีกลางโอเคพยายามพึ่งเข้าหาความสงบให้บ้างๆนะค่ะค่ะขอเป็น่งที่ดีที่สุดค่ะ โอเคค่ะขอบพระคุณในที่อาจารย์พร้ไม่ไรายต่ออ่าซ่าใหม่แผดเสร็จแล้วเหรอ่รต้องซื้อใหม่มั้งค่ะมันมันดับไปเลยค่ะนี่ใช้ของคุณอนุกูลค่ะเป็นไงครับอนุกูลสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์โอเคทิศทผ่านมาได้เป็นโาเตหน้าเบลอโเตก็เดินเดินเยอะหน่อยฮะโอเคครับ อาจารย์สบายดีนะคร <c oughs> ันนสบสบายดีสบายดีกลางวันนาชันนะค่ะพอ <c oughs> ดีไปแต่งจอคือเครื่องเครื่องนี้ไม่คุ้นเคยครับเถามว่าเบลอไหมล้วก็อกดเบลอก็เลยไม่รู้อะไรคือเบลอเ <c oughs> บลอแ <c oughs> บ็กกราวเบลอหน้าคนไปด้วยค่ะก็ดีสบายดีนะสบายดีครับครับ แล้วรายการนี้ก็เป็นพึ่งโหลดโปรแกรมนี้เข้า i อแพดอันนี้ฮอืครับการม่อนุาตอะไรไม่ได้โหลดมาแล้วใช้ได้อลยอค่ะใช่ได้ค่ะก็มันไม่ใช่เครื่องของเราไงาเล่นก็เลยยังเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็สุกทีเครื่องนี้เหมือนกันที่ยังเล่นไม่เป็นก็พยายามจะปิดจอหาไม่เจ อ, อก็เลยก็เลยได้โปลเข้าไปบ้าง เมื่อคืนนี้ตอนจบก็แบบเอะเราเราเข้าไปอยู่เราหาจอบปิดไม่เจ อ, อพระอาจารย์เรียกไอไอพดใช่ไหมไอแพดสี่ก็คือยังหายังตั้งชื่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีเพิ่งเริ่มเล่นกันเลยไม่รู้วันนี้เลยไปนั่งใส่ชื่อลงไปค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ า, อากาศร้อนไม่ร้อน อันนี้ที่วันโชคดีหน่อยฝนตกอยู่ภาคหนึ่งอากาเย็นหน่อยปีนี้คงจะจะค่อนข้างร้อนอีกนาแรงแรงแรงเราต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราก็ต้องหัดอยู่ขเขาไปานัทนทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะก็คนโดยทั่วไปก็จะไม่คุ้นเคยกับธรรมชาติต้องปรับใจปรับไม่เป็น เมื่อกี้ฟังน้องๆดูแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าเราปรับใจของเราไปมันก็ทุกอย่างมันก็ดูสบายๆหมด น, นะคะไมไออ่อยู่กับู่วงใครได้วันใหญ่าราชอบุนี้ทุกนันค่ะแ ต, แต่ถ้าเผื่อเราไม่เห็นอะไรเป็นทุกข์ไปแล้วะค่ะเห็นเมื่อมนก็เป็นของมันอย่างนี้แหละแล้วก็อยู่ไปอยู่ยนนด้วยกันอ เห็นอะไรก็ก็ยิ้มได้ดีใช่ให้ายปัญญางนั้นตลอดค่ะก็ต้องฝึกไปยังเดียวแน่นหนักแน่นค่ะดีค่ะเคนะขอถามนะถามสวัสดีพระอาจารย์ค่ะงานมาสการค่าคุณจะเลนคุณจะเล่นทอนต่อแฮวิ่งแลนด์เป็นกันใช่ไหมงนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อย อยู่เมืองเดียวกับจิ๊บหรือเปล่าที่คนเมืองอยู่จริงๆแล้วอยู่รัฐเดียวกันแต่เมืองใกล้กันมากนะคะมันเหมือนกับเหมือนกับอำเภอติดกันอย่างเงี้ยค่ะพัดถนนตะบุเรกกับปทุมธานีอย่างเงี้ยใช่ค่ะพัาเราจิ๊บเขาก็จะแบบขับรถผ่านมาแถวบ้านโยมบ่อยมากแล้ววันเสาร์วอาทิตย์เราก็จะไปเจอกันตามถนนนะคะคือเหมือนไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะโทรหาจิ๊บตลอด คือเัาสองคนจะคุยกันตลอดเวลาค่ะแล้วจิ๊บเขาก็จะบอกว่าเขาอยู่ถนนเส้นนี้หนูขอโทษครับอาจารย์พอดี<ม>เราเดินมาเอืมอืมจิ๊บเขาาก็จะบอกว่าเขาอยู่ถนนเส้นนี้หนูก็จะบอกว่าหนูอยู่ตรงหัวมุมนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วบางทีก็จะแวะเจอกันหรือว่าบางทีเขาซื้อของให้หนูแล้วหนูซื้อของให้เขาแล้วก็มาเจอกันตามจุดต่างๆก็มีค่ะอาจารย์ก็ดี <laughs> ก็ดีค่ะถือว่าเป็นกัรยานามิที่ดีมากหนูหนูโชคดีมากมาก ทีมบีบเงินที่ดีครับอาจารย์ที่อยู่นั้นมีคนไทยเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> พระอาจารย์ mm hmm. มากตอนตอนแรกๆกที่หนูมาเมื่อเมื่อเกือบจะคือยี่สิบแปดปีที่แล้วอะนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ไปอยู่ที่บลติมอร์แล้วตอนนั้นหนูก็ไม่ทราบว่าบอติมอร์มันน่า ก, กลัวคืมเขาจะเหมือนกับเหมือนมีสโลแกนของเมืองว่าเป็นเมืองที่สวยงามอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่จริงแล้วตอนดาวเทาบอติมอร์นี่มีแต่มีแต่คนติดยาค่ะพระอาจารย์ในขณะ ว่าหนูก็ไม่ร้บหนูก็เดินเหมือนเราก็เดินจากโรงเรียนเดินไปที่มันจะมีอินเนอร์ฮารซึ่งมันเป็นแหล่งแหล่งเที่ยวเมืองท่าแหล่งเที่ยวที่แบบเด่นที่สุดของที่นั่นนะคะหนูก็เดินเรียนหนูเดินเข้ามาที่ท่าเรือเนี่ยนะคะแล้วมันก็น่ากลัวมากจนมีเด็กคนทักว่าเธอเดินมาได้ยังไงตลอดทางนี้เธอไม่เจอไม่เจอคนแบบซึ่งก็เห็นจริงๆนะคะคือคือคนติดยานอนกันเกิื่อนกาดอะไรเงี้ยค่ะมคนก็มาของเงินอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีบ้าแต่ก็หลังจากนั้นก็คนไทยก็พอหนูย้ายออกจากที่นั่นมามาอยู่เมืองที่อยู่ที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายมีคนเยอะมากคนไทยคนจีนคนเกาหลีคนเวียดนามคนสเปนิชคนขึ้นหลากหลายเชื้อชาติมากแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเราไม่ใช่คนแปกแยกอยู่คนเดียวอะค่ะอย่างภอย่างเงี้ยเรายังไม่ใช่สำเนียงเรามันไม่ใช่ฝรั่งกะแต่ก็สามารถเข้าใจสามารถพูดกับเขาได้รู้เรื่อง แต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนคนคนที่เป็นคนฝรัง่งที่อยู่แอร์เรียเนี้ยเขายอมรับเรามากกว่าถ้าจะไปอยู่ในแหล่งที่มีแต่คนขาวล้วนนะคะประมาณอย่างเงี้ยค่ะส่วนอาทิตย์ที่แล้วหนูก็ไปทํางานที่เท็กซัสนะค่พระอาจารย์ก็ก็ก็ยุ่งมากเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันฟุ้งมากเลยค่ะพอาจารย์เหมือนเราเหมือนเราต้องไปทํางานเป็นฟู้ดโชว์ที่หนูไปที่หนูไป เจอเนี้ยนะคะก็ต้องคุยกับคนเยอะมากคุยคุยจนกระทั่งตอนนอนหลับมันกลายเป็นว่าเราหลับฝันว่าเราพูดฟุง้งเพอเจอไปเรืเ่อยเหมือนเราพูดอยู่ในความฝันเราพูดพูดพูดเหมือนมีความสุขกับการพูดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เมื่อวันที่หนูตื่นขึ้นมาหนูก็บอกว่าตายแล้วฉันนี่ฉันฟุง้งได้ขนาดนี้เลยเหรอไอ้ที่ปฏิบัติมามันหายไปหมดเลยพอเจอผู้คนพอไปเจอในงานออกบูธมีฟูช์โชว์อย่างเงี้ยค่ะหนู mm hmm. ต้องไปเจอคนที่ เราเราคุยด้วยทางอีเมลแต่เราไม่เคยเจอตัวจริงๆนะคะแล้วเราก็เดินไปเราก็บอกว่านี่เราชื่อนี้นะเรามาจากบริษัทนี้นะเราเราดีวกับบริษัทของเธอนะสินค้าตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อนี่ไงเราคุยกันมาก่อนอย่าเงี้ยเราก็หลายๆคนก็เราก็คุยกันมาหลายๆปีแล้วอย่าเงี้ยค่ะพอคุยกันเสร็จแล้วเราก็เหมือนสร้างความคุ้นเคยแล้วหนูก็เลยรู้สึกแบบดีใจมากคะ่ะพระอาจารย์ที่ได้ไปเจอเพื่อนที่ คุยกันทางอีเมลแล้วมาเจอตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไปกับรุ่นน้องที่ทํางานคนนึงเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรแต่หนูไม่ได้ไปอะนะคะก็กลับมานั่งสมาธิแต่ก็รู้สึกถึงความฟุ้งว่าพอผ่านไปวันนึงนี่มันมันฟุ้งได้ขนาดไหนคราวนี้พอหนูกลับมาหนูก็เลยบังเอิญว่าที่วัดใกล้ๆบ้านหนูค่ะเขามีการปฏิบัติธรรมสวันโดยที่หนูไม่ทราบมาก่อนคือเขาเพิ่งจะมาประกาศเมื่อทิศที่แหละเมื่อทิตศ แต่ตอนนั้นหนูซื้อตั๋วบินไปที่ฮิวสตันแล้วอะค่ะหนูกลับมาแล้ววันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์ค่ะหนูก็เลยไปที่วัดปฏิบัติธรรมเลยทั้งวันเนี่ยค่ะมันก็เหมือนมันเป็นการสวิชคั่วกันเลยอะค่ะจากความรู้สึกที่แบบมันฟุ้งกลับมาให้แบบบังคับให้ตัวเองกลับเข้ามาสู่ใช่ค่ะพระอาจารย์มันเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาจัดแบบ หนูว่าเขาจัดได้ดีกว่าอีกวัดหนึ่งที่หนูไปอะค่ะแล้วก็โปรแกรมของเขานี่คือเขาให้แบบสวดมนต์แต่เช้าแล้วก็พอเก้าโมงเก้าโมงถึงสิบโมงสิบเนยไม่ใช่ค่ะเก้าโมงถึงสิบเอดโมงปฏิบัติธรรมทั้งเดินทั้งนั่งแล้วก็สิบเอดโมงพระท่านก็ไปฉันเราก็ไปทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วก็มาสนทนาธรรมกันถึงห้าโมงเย็นก็คือปฏิบัติได้ห้าชั่วโมงเลยในวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะพอหนูกลับมาบ้านแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันยังไม่นิ่งเต็มที่ แต่ด้วยความที่จิตมันเริ่มเริ่มกลับมาค่ะวันอาทิตย์หนูก็เลยนั่งอีกอะค่ะก็นั่งไปอีกห้าชั่วโมงวันอาทิตย์นะคะแล้วมันถึงจะเริ่มมาเห็นผลจริงๆตั้งวันที่สองวันที่สามเพราะวันแรกมันยังมันยังไม่เห็นนะคะแต่มันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์การทำงานแลการปฏิบัติทางนั้นมันมันขัดกันสวนทางมันใช่ค่ะพระอาจารย์หนุนงุนต้องแบบดึงเต็มที่ดึงให้มันกลับมาเข้าเข้าอยู่กับลมอยู่กับพุทโธไม่งั้นมัน จิตมันวิ่งออกวิ่งออกตลอดเลยละคะอาจารย์ค่ะดีที่ยังบวชได้ดึงกลับมาได้พยายามเต็มที่เลยค่ะเพราะจะรู้สึกเสียดายเสียใจที่แต่ตอนกลับมาปฏิบัติธรรมนะคะหนูรู้สึกเลยว่าถ้าชีวิตหนูสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกวันมันจะมีความสุขแค่ไหนเพราะว่าพอวันจันทร์วันอังคารอีกมาเจอกับสถาการทํางานอีกแล้วความวุ่นวายหรือโปรเจกต์ที่ได้รับมามีใหม่อย่างเงครับมันก็ต้องวิ่งออกไปฟุ้งอีกเพราะเราต้องทําให้สําเร็จอย่างไงครับอาจารย์ ไม่ต้องทนไปก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สู้กักนขเข้าๆไปก็ออกไปพ อ, อกลับมาก็เดินกลับเข้าข้างใ น, นใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนค่ะพระอาจารย์ อ, อนอกจากนั้นหนูก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็อต่อไปขอบพระคุณพระอาจารย์มากมนะคะขอพระอาจารย์ทักกัน๋ยวทิ้งก็แล้วกันพยายามรักษาการปฏิบัติให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็นกำลังใจนะคะสาวผู้เจ้าค่าะ ไปที่คุณแนนอุดร น, น, น, น, น้ในใราน้อมค่ะน้อมรักษาค่นภาษารย์ด้วย่มีคำถามเจค่ะจ้าคุคณซาติกาชายนาตอนทำค่ะอ า, าจารย์ไม่มีตัวโอเคอ่างั้นไปที่คุณยินดีต่อเย็นดีก็บางสองเต้เหมือนเดิม <laughs> เหมนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ก่อนไปเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมบอกอาจารย์ด้วยนะค่ะเหมือนเดิมค่ะลูกสองคนเข้ามาะกาศท่านอาจารย์วันนี้<ถ><ะ>นชายมาใส่บาตด้วยค่ะสาธุคำวัฒนาบุญเถิอเขาด้วยค่ะท่านอาจารย์ดีแล้วค่ะท่านอาจารย์เขาก็ต้องเอาไปอย่างนี้ก่อนนะคะท่ า, านอาจารย์<ๆ>ตรงนี้เไม่เอ า, ไ, เเอา ไ, ได้แนคะ่นี้ดีเขาไม่ได้เค่ะท่านอาจารย์ก็ยังดีอะค่ะที่แม่เขาปลูกฝังวัดนะแม่เขาปลูกฝงังค่ะท่านอาจารย์ โอเคฝาขอ บ, ขอบคุณคุณเอวิน <David S 1> ด้วยนะขอบพระคุณท่านอาจารย์มีญาสูงค่ะท่านอาจารย์ก่ <Okay. S 2> อนเนี่ยไปที่จุ๊บจ้าจุ๊บก่อนไปอันนี้พาใครเข้ามาร้วมด้วยนมัสการกระพเจ้าอาจารย์ยกมือไหว้ะพาลูกสาวพาพระอาจารย์วันนี้มาสบายนี่ยแหละค่ะอนมัสการยกมือไหว้เนี่ลยนมัสการก็าพอเจออันนี้ไม่ต้องไปเรียนนะจ้าวันนี้ไม่วันนี้มีเรียนไหมลูก ไม่มีเรียนต่อป้จมีเรียนไม่มีเรีย<ห>นไม่มีเรียนค่ะพูะไได้ชัดดีนะนคะ ค, คะอ<ม><ม>ก็อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ให้กาลังใจให<ม>้กาลังใจลูกของหนูหนูก็เลยวันนี้ก็เลยพามาไหว้หพระสารเ จ, รจร้าค่ะยิน ด, ด, ดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักหยินดีที่ได้รด้อืม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค, ค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีคําถามกับค่ะอาจารย์ออันนี้อายุเท่าไหร่นะลูกสาวอายุเท่าไหร่นะลูกพี่หร่ออายุปีหนึ่งค่ะอายุเท่าไหร่ น, นะอายุ <c oughs> ตอบอฟังฟังมาจากพี่รู้เรื่องแต่ว่าตอบนี่ก็จะใช่ยี่สิบสองอาย<ป>ุยี่สิบสองค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเขาอยู่อมาเข้าที่เนี้าายอยู่ตอนประมาณปี มอมอสี่มอห้าบอกไปปีสองปีค่ะเพราะว่ามีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพรอาจารย์ก็ต้องออกแล้วแล้วก็ไปเรียนเหมือนเรียนกศนอแทนเลยนะคะประมาณนั้นนะคะอายุก็เลยเยอะนิดนึงค่ะอันนี้มีอาการอันนี้เป็นไงแฮปปี้ไหมคตอนนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะดี I h a p p อ I h a ไปเรื่อยๆนะ อบคุค่ะอบค่ะค่ะก็ม <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ทําด้เขาทำไช่วยตัวเขเองได้ทุกอย่างนะได้ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างไหมลูก<อ>ช่วยได้ทุกอย่างคอาอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันแต่างเน้าแต่งตัวอะไอย่เงยอาบน้ำไม่นิดยังต้องให้ให้หนูหรือไม่ก็น้องสาวอะค่ะอาบน้ําให้อยู่ค่ะพระอาจารย์ช่วู ไปโรงเรียนไปได้ไปโรงเรียนไปเองได้เนาะไปโรงเรียนไปเองได้ดีกว่าหรอใอ่ใเก่งมากต้องนั่งรถไฟไปไกลนะอกนั่งรถไฟไปไกลไหมไปถึงโอซาก้าเลยใช่หค่ะไปโอซาก้าเลยค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับช้วลาหนึ่งชั่วโมงเย่าล้วจากโอซาก้ากลับโตเกียวเนี้ย ไอกเกียวตนี้ร ะ, ะยะเท่ากันไหมครับอซสการตัวเกียวตระยะเท่ากันไหมลูกอันไหนใกล้กว่า โ, เโกเบอซสกาไกลกว่าค่ะใช่มาแต่งโกเบกับบอกับเกียวตเนี่ยอที่ไปอซสกาเนี่ยอันไหนใกล้กว่ากันอ่าไปเกียวโตใกล้กว่าค่ะ จากโอซาก้าไปเกียวโตใกล้กว่าอจากโอซาก้าไปเกียวโตนี่ใกล้กว่าจากโอซาก้ามาคูเบะค่ะอาจารย์คูเบะไกล้กลกว่าค่ะเป็นเมืองรอบนอกเลยค่ะค่ะอาจารย์แล้วต้องเดินทางไปกลับทุกวันเลยนะไปกลับทุกวันเลยไหมตอบค่ะค่ะเวลาค่ะ ฟังภาษาไทยดูเรื่องค่ะพรอาจารย์แต่ว่าเวลาจะตอบนี้ใช้ใช้สองนิดนึงค่ะค่ะไม่ค่ได้ใช้ภาษาอะไร่ค่ะคือหนูเวลาคุยกับลูกที่บ้านหนูก็ใช้ภาษาไทยตลอดนะคะแต่เขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษญี่ปุ่นค่ะอ่าขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้มีความสุขมากนะขอให้มีความสุขทุกวันนะอ่าขอบพระคุณค่ะว่าก็ก็ชระอาจารย์ เป็นไปที่คุณซันนี่ต่อกลับมากุงเทพนะว่าวันนี้ไปเที่ยวทั่วโลกเลยเนะยการณ์แลวัฒการพระอาจารย์ค่ะอืมอ่าวันนี้หนูไม่มีทำคำถามแต่คุณแม่ฝากคุณแม่ขึ้นห้องแล้วค่ะแต่ว่าฝากคําถามไว้ค่ะพระอาจารย์ไปคุณแม่เอ่อถามว่าคือที่บ้านนะคะ่ะพระอาจารย์มี ต้นมะม่วงที่คุณพ่อเขาปลูกไว้อยู่แต่ทีเนี้ยคุณพ่อเสียไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็เอาลูกมะม่วงที่จากต้นที่คุณพ่อปลูกคะ่ะไปแจกจ่าย ใ, ให้คนอื่นอย่างคุณแม่เขาถามว่าคุณพ่อจะได้รับบุญนี้ด้วยไหมคะได้แต่ต้องโุทินนะแจกเขาเสร็จแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตว่าเขาทิ้งบุญอัน น, น, นี้ให้กับคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วถ้าไม่อุทิศเขาก็ไม่ได้รับ ว่าเรายังไม่ได้บอกเขาว่าเป็นวุตเป็นของบุญที่เราส่งไปให้เขาเลยค่ะพระอาจารย์ถึงแม้แต่ก่อนจะเป็นจะเป็นเหมือนต้นไม้นี้เป็นของคุณพ่อก็ก็ถ้าสมมติเสียไปแล้วก็คือไม่ได้เป็นของเขาแล้วใช่ไหมของพ่อแนละ้เป็นของของคุณแม่แนละ้วของคนที่อยู่แล้วคนที่อยู่สามารถเอาไปแจกจาก่ายเป็นบุญได้ทําบุญได้นั้นก็อุทิศบุญนี้ไปเป็นพ่อได้ แต่มันจะไม่เหมือนกับว่าเป็นของคุณพ่อเองแนละ้วทําบุญเองไม่เหมือนกันค<อ>่อเอยู่แล้วไม่ไม่สามารถมาทํากลับมาเอาเงินเ ข, ข้าของเงินทองอเองไปทําบุญได้นะถ้าจะทําุ้งทาก่อนตายอย่างพวกเราเนี้ย<อ>ตอนนี้ถ้าเราทำอันนี้เราจะได้บุญเต็มร้อยเลยแต่ถ้าเาทิ้งเงินทองไว้แล้วคนอื่นเข้ามาทําบุญให้เราเขาส่งไปได้แค่ร้อยละสิบเท่านี้เข้าใจละคะอาจารย์อยี๋จะ ไปเปิดให้คุณแม่ฟังค่ะขอบพรบะคุณครับั้ย่าอย่าร อ, อบุญุทินที่ทำบุญเสียตั้งแต่ตอนนี้เราที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราจะได้อาไปได้ทั้งเต็มทั้งร้อยเลยร้อยทั้งร้อยไปของเราหมดแต่ถ้าเราร้อยคนอื่นทําบุญส่งมาให้เรานี่ก็ส่งไปได้แค่ร้อยละสิบประมาณนั้นเลยประมาณค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามอื่นแล้วค่ะโอเคสาธุอากุณมาลีเชิญ สามหลพ่อข้าว่ายัง ไ, ไงมีอะไรไหมก็ยังดูใจรักตาดใจไปเรื่อยๆข่าหลวงพ่ออืมอืมดีตามใจให้สงบทัางใจให้สบายเบิกบานรสุทิพุทธโธปราจ<ข>าความโลภกอดหลงข่าหลวงพ่อ ม, มันมันไม่มีทุกข์อะไรในใจขหลวงพ่อ ทุกข์มันก็เข้าไม่ถึงใจแต่ว่าก็ยังดูยังรักษาใจอยู่กับตรงนี้อยู่ค่ะ ใ, ใจเราไม่ไปยึดติกดกอะไรพอใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรค่ะหลวงพ่อถ้าเราไปยึดติดปั๊บมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีค่ะหลวงพ่อไม่ต้องปล่อยวางใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ้อวสติปัญญาค่ะก็เหมือนเหมือนเข้าใจ มองเห็นอะไรมันก็เป็นเป็นธรรมไปหมดแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็เป็นตไอมันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะหลวงพ่อมันมีอะไรที่อยู่โยนยงอะไรสักอย่างทุกสิ่งอย่างระดับเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยไม่สรมางคุ้มก้มบางครั้งมันได้ใช่ค่ะหลวงพ่อมันมันก็เหมือนเป็นธรรมชาติค่ะหลวงพ่อมันก็เป็นเป็นนินพพานกายใช่ค่ะหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น คนสิ่งของทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตมันมันไม่มีอะไรที่แบบอยู่แล้วแล้วจะไม่ไม่ไปแบบนี้คะงพ่อมันมาแล้วมันก็ไปมันมันของใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสื่อมมันก็ลงไปตามสภาพอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่อถูกต้องสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้น่็มีการดับไปเป็นธรรมดาค่ะหลวงพ่อถ้าถ้าเราไปยึด ไปจับเอาไว้มันก็ยืดปุ๊บปุบปั๊บแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเราเราปล่อยระวางเราเรารู้ทันอะไแบบนี้มันก็มันใจมันก็ไม่ไม่ทุกข์นะคะหลวงพ่อมันก็<ไ>เข้าใจค่ะหลวงพ่อที่ตัวเราประหยัดไปยืดปหยักให้มันเป็นของเราอยู่กับเราใช่ค่ะก็มีอย่างอย่างตอนนี้มีเหมือนแบบ มันมันเห็นร่างกายตัวเองอะ่ะเสื่อมลงไปทุกเวลาทุกนาทีแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันเห็น<ม>แล้วทีเนี้ยคนที่เขาเห็นเห็นอย่างนี้สั่งพ่อเขาก็มองว่าโอยทําไมปล่อยผมขาวอะไรนี้ยั่งพ่อคือ<ม>ทุกคนเขาจะรับมันไม่ได้แต่ว่าแตนรู้สึกเฉยมากเลยค่ะหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์อะไรแบบ ที่คนเขามาพูดมาบอกอะไรแบบนี้ฝั่หลวงพา่อมันเฉยมันธรรมดามากโลยฝัหลวงพา่อเดี๋ยวนะเขาเห็นความจริงเขายังมาไม่เห็นความจริงอยู่ใช่เดี๋ยวก็วต้องทุกกับความควาเป็นผิดของเขาใช่ทาไมก็ทำไ ม, ำไมก็ต้องรีรความแกไมก่ได้ใช่ค่ะหลวงพา่อมันมันเหมือนเราก็ดูตามสภาพที่เขาเป็นแบบนี้หลวงพา่อ ก, ก็เลยใจมันก็เลยไม่ได้ไปยึดอะไรหลวงพ่อ ดีค่ะบายวางใันทุกอย่างไม่ใช่ของเราค่ะชั่วคราวค่ะดีค่ะหลวงพ่อชาถึขอบคุณค่ะสาถึงค่ะหลวงพ่อใครต่อมันภุษาจีนาที่า่ากลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเหรอในมัตรการคะ่ะพระอาจารย์ถึงในวันเดียวคะ่ะอาจารย์เดินทางชั่วโมงสเสร็จเสร็จค่ะจากวเร็วนะ ขาดชั่วโมงเศษเศษแล้วก็นั่งรถตู้จากสนามบินมาถึงบ้านโยมอีกชั่วโมงเศษเศษเลยค่ะจ๊ะนั่งรถกับใช้เวลามากกว่า บ, บินเนะใช่ค่ะ <laughs> นั่งรถนานกว่าค่ะอืก็ออก็ไม่เป็นไรค่ะาค่ะโยมโยมนั่งฟังไม่สักครู่นี้โยมโยม เอาเรื่องที่อาจารย์สอนเรื่องการนั่งภาวนาก่อนค่ะอาจารย์สมัยใหม่ๆแรกๆตอนนั้นที่ยังฟุง้งๆดูลมไม่ค่อยได้พุทโธก็ยังไม่ค่อยได้อาจารย์บอกว่าให้สวดมนต์ใช่ไหมคะยมก็เอ่อเข้าห้องพระที่บ้านเนี่ยค่ะยมก็สวด vaccines. อิติปิโสค่ะอาจารย์อิติปิโสอย่างเดียวนะคะไม่ไป ท, ทําอิติปิโสพระขวยจบอย่างเดียวแล้วก็วนเฉพาะอิติปิโสแล้วจิตเขารวมค่ะอาจารย์จิตรวมนิ่งตึกองไปเลยแล้วก็นิ่งนานนะคะ พอตอนถอนออกมารู้สึกแบบตัวสะท้านน้ําตาไหลค่ะอาจารย์น้ําตามันปิติอะค่ะแล้วก็ตัวรู้สึกตัวสะท้านแบบมันมันมั น, ม, นมันมีความสุขบอกไม่ถูกมันไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะไม่ใ น, นครั้งแรกที่ว่าอาจารย์บอกให้สวมดมนต์ลองใช้ดูโยมเคยใช้นะคะอาจารย์ดีค่ะแล้วโยมก็เลยไปบอกคนที่บอกว่าที่นั่งไม่ได้ฟุ้งฟ้งลองสวดดูเฉพาะอิติปิโสอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปธรรมะไม่ต้องไปสว่าดิ์ขาตัวไม่ต้องไปสุปฏิปโนเอาแค่อิติ เดียวเลยค่ะแล้วก็แบบพอตอนถอนออกมาแบบรู้สึกน้ําตามันไหลพลากแล้วตัวสถานเดินออกจากห้องพักสามิโจมมิวบอกว่าเธอเธอมันมันมันสั่นไปหมดเลยมันปิติอข่าจารย์มันอมันมันมีความสุขข่าจันความสุขที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนใช่ใช่แบบมันก็คือปกติมันก็คือนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแต่คราวนี้แบบพอถอนออกมาแบบน้ําตานี้พรากข่าจานพลาคแล้วตัวตัวสถาน โอ้มันแบบแบบแบบบอกไม่ถูกค่ะอาจารย์อืมก็เมื่อกี้ที่น้องเขาคุยเรื่องเรื่องเรื่องภาษีโยมสะดุ้งเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเออเวลาเราบริจาคใช่ไหมคะเราสแกนคิวอารคดเข้าไปเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเข้าไปในระบบอิโดเนเซีนมันตรงไปยังสรรพกรเลยค่ะอาจารย์อพอเราไปต้นภาษีเขาก็จะลดภาษีให้เราสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ต่อไปก็ถวายร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วโยมก็ ก็ทำหมุนแบบนี้เรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็ทำขาส่วนใหญ่เงินของโยมที่ได้คืนจากภา ษ, ษีก็จากการทำบุญอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเจตนาอยากจะเอาเคยก็ไม่เป็นไรมันเป็นระบบเข้าไปให้เป็นไปตาระบบแ้าเราก็พืทำให้มันมากกันหน่อยก็แล้วกัน แล้วก็ขาดสิบปอร์เซ็นแล้วก็ทําเพิ่มอีกสิบเปอร์ซ็นต์ไยมยมทําเยอะอยู่ค่ะแต่ละปี<ช>แต่ละโยมได้คืนมาหลายตังค์อยู่ค่ะจังอ่าก็ที่ได้คืนมาก็ทำเอาไปทําใหม่ต่อใช่ค่ะก็จะใช้ใชทําต่อบางทีพอได้มาอย่างบางปีได้มาเยอะยมก็จะไปซื้อเครื่องเครื่องอะไรคะเป็นไมโครเวฟเครื่องอะไรอย่างเงี้ยให้วัดไปเลยมานนั้นเครื่องซักผ้าก็เคยซื้อให้ได้ได้ค่ะย ม, ยมสะดุ้งเลยคะ่ะจังบอเฮ้ยมัน เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะให้สแกนค r c อ d e คเข้าไปในระบบไิดูในวัดแล้วการควบคุมค่ะใช่ๆช่ทางวัดก็จะได้มีมีระบบคอยตรวจตาาด้วยใช่ค่ะมันจะเป็นหลักฐานของเขาค่ะพยมก็พยมไปยื่นภาษียมไม่ต้องเอาอะไรหลักฐานอะไรไปนะคะมันจะเข้าระบบมาอีกแล้วมันก็จะคืนเงินมาให้เองได้ปีก็ได้หลายตังค์อยู่ค่ะอาจารย์เข ค่ะเพราพี่พี่รถย่อนพี่เนี่ยมีแต่ทำบุญอย่างเดียวนะอืมเท่านี้นี่ยังเอามาไม่ครบนะเอาเท่าเท่าที่ระบบดีเดโลเดชั่นเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ค่ะ mm hmm. ส่วนส่วนการขึ้นเขารอบนี้นะคะอาจารย์อ่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะอาจารย์เมื่อก่อนโยมจะคอยระแวดระวังประมาณเหมือนกวางที่ระวังคนนะคะว่าจะมีใครอยู่บนเขาบ้างไม่น่าจะมีเพื่อนอยู่ไม่น่าตอนนี้แบบไม่มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรพร้อมหมดเลยค่ะอาจารย์ แบบอ่าไปอยู่พอขึ้นเขาปุ๊บมันความสดชื่นที่มันขึ้นมามันสัมผัสมาค่ะอาจารย์สายลมเสียงนกมันมันมันผ่อนคลายแล้วก็ยมไปถึงปุ๊บวางกระเป๋ายมก็ไม่เปลี่ยนสภาพยมเดินตรงกบเดินเดินจงกรมก่อนค่ะเรียกสติก่อนเพราะว่าสองเดือนที่เว้นไปเนี่ยมันสติเรานั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่มันสวนกันอย่างที่อาจารย์บอกค่ะทางโลกเราต้องใช้สมอง แต่พอในทางรมเราจะคิดให้น้อยลงมันมันสวนกระแสค่ะอาจารย์อืมยมก็เลยต้องเดินเดินจงกรมแต่ละรอบเนี่ยยมจะใช้เวลาชั่วโมงเดินเดินเดินเดินก่อนค่ะอาจารย์จะเน้นสติก่อนแล้วก็ถึงจะได้มานั่งสมาธิช่วงกลางคืนค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนกลางคืนยมเปิดประตูจะลงไปเดินจงกรมยมอยู่เรือนสี่ใช่ไหมคะถนนหน้าเรือนมันยี่สิบเมตรยมยมจะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะพอลงไปกวางเขาตกใจ ความความตกใจคนไม่ใช่คนตกใจโยกกว้างนะคะอาจารย์รอบนี้อืแต่ก็นั่งได้ดีค่ะจารย์มันย้อนกับที่สมัยก่อนที่โยมขึ้นขึ้นเขาแล้วโดนอาจารย์ดุเรื่องความกลัวโยมรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนกับสโนปี้ของวอตดินนีอะค่ะเดินหูลูหางตกกับกลับมายังเรียนมันความกลัวมันยังกลัวบอกเอ้าวะกลัวยังไงก็ไงเดี๋ยวพรุ่นี้ก็กลับบ้านแล้วก็สู้กับมันต่อค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้มัน มันไม่เป็นแล้วค่ะอาจารย์คํำที่อาจารย์ว่าโยมว่าปล่อยวางไม่จริงเนี่ยถ้าลองปล่อยวางให้จริงก็เอาทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณให้หมดมเอเอเขาจริงเนาะทุกอย่างเหมือนอาจารย์สอนมาหมดแล้วก็เลยพยายามอยู่ค่ะอาจารย์แต่ก็แต่ละรอบของโยมโยมจะต้องจองเดินไปล่วงหน้าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอย่างเดือนหน้ายมก็จองล่วงหน้าไว้แล้วว่ะค่ะอาจารย์อือค่ะต้องต้องจองแบบนั้นนะคะอาจารย์ไม่งั้น แน่แน่นอนถ้าไม่จองไว้ก่อนเนี๋ยวเขาจะมาจองมาแทนเรายอมยมจองยมจะจองตั๋วเครื่องบินก่อนค่ะอาจารย์ตั๋วเครื่องเพราะว่าตอนนี้ไฟล์บินเขาจะยกเลิกหลายหลายเที่ยวบินจะจากสามเที่ยวบินเหลือแค่สองเที่ยวบินในบางวันค่ะยมต้องจองตั๋วเครื่องบินให้ได้ก่อนแล้วถึงจะจองที่พักเพราะฉะนั้นยมต้องจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าหนึ่งเดือนที่พักยมก็ล่วงหน้าหนึ่งเดือนแบบนี้ค่ะี่แล้วก็มัน มีความสุขค่ะอาจารย์ไม่ไม่เหมือนก่อนที่เมื่อก่อนรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยขึ้นเขาแต่ละรอบเหมือนกับคนไปเนื้อตัวเปียกปอนเหมือนกับคนบอบช้ำไปไปเดินความรู้สึกของตัวเองเมื่อก่อนนี้เราไปหาอริยสัจสี่ใช่ไหมคะแต่ความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นทั้งนั้นในความรู้สึกของโยมตอนนั้นนะคะอาจารย์เป็นเพราะคนนั้นทําเราเพราะคนนี้ทําเราแต่ตอนนี้โยมรู้แล้วว่าเป็นเพราะโยมเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพราะคนอื่นเลยค่ะอาจารย์ตรงตัง้งค่ะ แล้วก็ตอนนั้นมันนั่งภาวนาอยู่นะคะจันแล้วก็มันมีความเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมันย้อนกลับมาที่มีคนมาตําหนิโยมมันตําหนิโยมแล้วก็โยมกําลังจะอธิบายแต่ว่าในใจมันผุดขึ้นมาว่าใจมันขึ้นมาคําว่าใจคําเดียวโยมก็ถึงโยมอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ขาวที่น้องเขาให้มาค่ะว่าใจทุกข์ก็ที่ใจนรกก็ที่ใจสวรรค์ก็ที่ใจนิพพานก็ที่ใจโยมก็บอกอือใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดเลยค่ะจัน ยมเอามาสอนตัวเองอย่างนี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยมก็ต้องกราบขอบพอระคุณพระอาจารย์นะคะขอบคุณเรือนภาวนาที่นี่ที่ทําให้รู้สึกว่ามันสงบกว่าที่อื่นๆที่เคยเจอค่ะอาจารย์มยมอยู่กับมันยี่สี่ชั่วโมงอยู่กับการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดอื่นยมจะต้องไปทํางานอต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็อช่หาที่แบบนี้ยากใช่ค่ะที่จะให้เราอยู่คนเดียวไม่ต้องอยุ่งกับใครนี่หายากที่นี่แบบยมยิงบอก ที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดจริงอยู่ว่าเราอาจจะต้องไม่แรกกับแรกมันมาแต่มันก็คุ้มเพราะยังไงเราก็คุ้มกว่าอย่างอื่นค่ะจามแบบตีสี่ 4, เสียงนกนี่เสียงนกร้องแล้วเพลาะแล้วค่ะจารย์ยมเอะแบบนี้เราไปหลงเราไปติดหรือเปล่าแต่มันรู้สึกผ่อนคลายค่ะจาย์ได้อยู่ชไมได้ไม่เป็นไรของธรรมชาติอะเรายินดีกับสภาพความเป็นจริงเอาไว้ได้เราไม่ได้อยากให้มันมามันมาพอมันเห็นเราก็รับรู้ไป แต่ตอนนี้โยมก็เลยเปลี่ยนไม่เดินลงลงมาเดินจงกลมตอนกลางดึกเพราะว่ากวางเขาเดินโยมก็เลยเดินตอนตีห้าครึ่งค่ะตอนนั้นกวางไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจากการที่ว่าอาจารย์บอกว่ากลัวกลัวแต่ตอนนี้ก็คือแบบคได้อยู่ค่ะอาจารย์ได้อยู่อาจารย์ค่ะต่อไปต้องไมกลัวอะไรเลยค่ะแต่ก็มันมันยังรู้สึกว่า มันยังมีความรู้สึกลึกๆแต่ว่าไม่เป็นไรยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ยังบอกอาจารย์ยังเจองู ก, กัดเลยช <c> ม <oughs> ก็บอกว่ามันไม่เป็นไรอาจารย์ถ้าปล่อยวางถ้าปล่อยวางจริงแล้วจะกลัวอะไรไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยค่ะอาจารย์<ม>คำของขอาจารย์ใจของโยมเสมอสาธุอาจารย์โ <Yeah. S 1> ยมกับขอบพระคุณนะคะสาธุ <Yeah. S 1> ค่ ะ, ะไปที่พัทยาต่อบุญใยชื่อเต็ม น้องเก่าในมั ส, สกร า, า, ารค่ะพระอาจารย์การศึกษาค่ะก็ก็ข่าวอากาศพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรค่ะ่าฟังธรรมสบายดีก็เป็นใครก็แล้ ว, วพระอาจารย์ เ, เป็นวัดนะคะเปลี่ยนปฏิบัติอะไรบ้างตอนนี้งานงานยุ่งแต่ก็ดูแลใจอยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะยม ค่ะก็โยมไปพาพี่สาวพาหลานไปเที่ยวที่เมืองจีนนะคะพระอาจารย์เขาก็มีเลี้ยงสังสรรค์อะไรเขาก็ขยันขยอให้โยมดื่มโยมก็ไม่ดื่มโยมก็ว่าเอาคําสอนของพระอาจารย์อะจะดื่มไม่ดื่มก็คือใครเราไม่ดื่มเสอย่างใครเอามาะกอบฝากแล้วเราก็ไม่ดื่มอมะไร อ, อย่างเงี้ยของพระอาจารย์ก็ยังรักษาใจแล้วก็ ก็ดูใจตัวเองนะคะพ่อจาย์ว่ามันมีความสุขหรือว่ามันมีความทุกแลก้วก็อะไรประมาณเนี้ค่ะพ่อาจา <wings> ยา์ดมกลับมากลับมาก็มายุ่ง <Ald> ก <ous> ับเรื่องเรื่องงานงานก็มีสินค้ามันขึ้นราคาครับอาจารย์ยงก็ต้องรีบทํารีบแร่งเปลี่ยนราคาหรือว่าอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวไม่งานเดี๋ยวถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยก็จะขายขาดทุนไปถ้าทําไม่ทันนี่ยค่ะเป็นที่ของเรื่องที่น่าทายหมดแล้วเนี่ย ใช่ค่ะพระอาจารย์ขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบมันเปลี่ยนบ่อยเกินนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่านานๆจะเปลี่ยนทีอันนี้อาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนมือเราทําคอมพิวเตอร์จังหนิกอยูอ่พระอาจารย์ถ้าจะคือว่างว่างก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนราคาขายก็ต้องขายของว่างแล้วก็ต้องทําเปลี่ยนพนักงานก็หา ย, ยากโยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนทํางานหายไปนน <c oughs> ไหนหมดเหม ก็ต้องทําไปค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> ทำยังไได้อยู่กับมันไปค่ะใช่เราอันนี้จำเปลี่ยนทางอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ก็และเลือกทถึงพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะก็ไม่ไม่หลงทางไม่หลงทางค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> ถึงถึงจะออกออกไม่ได้ไปก่าพระอาจารย์หรือว่าไม่ได้ไปฟังธรรมแต่ก็จิตใจก็ยังมั่นคงทางนี้อยู่ค่ะดีจ <Yeah. Okay. S 1> ้าโอเคอ่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ คุณคกาแฟก็นี่เป็นยังไงน้ำักขึ้นแล้วหรืขึ้นนิดหน่อยครับขึ้นนิดหน่อยนะพอนน ด, อนะดีเตรียมงานพอดีจัดงานศพคุณพ่อแล้วก็แบบว่ากลางคืนก็ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็เลยไม่ได้กุมอาหารเลยแล้วก็แบบ เขาเข้าออกโรงพยาบาลก็เลยกินอาหารข้างนอกก็เลยไม่ไม่ได้กินอาหารที่มีสุขภาพเท่าไหร่กินให้มันแบบว่าไหายหิงไปเท่านั้นนะครับอืมครับก็มีเสียไปกี่วันฮะวันวันนี้วันเผาแล้วครับเรียบร้อยนะพัฒาทานเติงครับอ่าพวกนี้ก็เก็บปฏิทิใช่ครับวันนี้เก็บปฏิทิก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นทุกข์หลายๆอย่างครับ เพรว่าไปไม่ได้เลไม่ไม่ใช่ครับเ ว, เวลาเวลาหมดที่แถวนี้ก็ทํางานเขาจะสั่งสั่งหมูเป็นตัวสั่งค่าปลาเยอะๆอะไรเงี้ยครับมาทําบุญนะครับ<ม>เขายังไม่เข้าใจแล้วเราเป็นเด็กเราพูดอะไรไม่ได้เลยครับเขาปล่อยเข้าไปไม่ใช่เรื่องของเราครับผู้ใหญ่เขาทำอะไรก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปถ้าเราเป็นเจ้าของงานแล้วก็เราก็คุมได้นะเราคุม แต่เราไม่ใช่เป็นผู้คุมเราก็ต้องไหวก็ทํำไปตามเรื่องของเขาครับแต่ก็บอกพี่สาวแล้วว่าถ้าผมเสียก่อนอะไรเงี้ยผมแต่แบบไหนแบบไหนก็บอกไว้แล้วเว่าจะไม่เอาจะไม่ทําตามประเพณีของชาวบ้านเงี้เลยที่ทํำมาสั่งเขาแต่เขาจะไม่ทําตามเราสั่งก็ได้ไม่ต้องไปกังลวลนะเนี่ยว่าเนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องตามที่เราเป็นเป็นคนที่ไม่ได้ทําเองก็ไม่ไม่เป็นปัญหากับเราเนาะครับ <c oughs> มันก็จะทำมาเป็นกรรมให้กรรมมันไปกรรมของสัตว์ไปครับเยอะครับปลาเป็นร้อยกิโลครับ อ, อย่าป<ร><ะ>ไปทุกกระทขาเพรเป็นกรรมของปลาด้วยที่มาเกิดเนี่ยชาติก่อนเขะกินเขาฆ่าเขามันสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยมองให้มันเห็นฆ่าแล้วมันจะได้วางเป็นูเบรค้าได้เบในเรื่รรองของกรรมของสัตว์คงกรรมคงเกวียนเขาเรียกลทำเขาแล้วก็ต้องกลับมาถกเขาทำใหม่วนไปวนมาอ่ะอ๋อจัดครับ ขายกังวลได้เยอะเลยครับอามไปเป็นระบบไม่ได้ระบอกข้องกรรมไปอย่างนี้ทํากรรมอันไหนไว้แต่เราไปพูดรับผลข้องกรรมเลยครับโง่โง่สารนะครับน้องสารก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับนอกจากว่างินเป็นสิ่งที่เราทําได้ก็ทําไปอะไรทําไม่ได้ก็ต้องปลงไปครับ ก็ก็ดีครับก็แต่ว่าแบบผลความเข้าใจในเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ก็แบบว่าแบบไปได้รักษาศีลแบบจะเป็นพิธีการอะไรมากกว่าครับใช่อะไก็เป็นพิธีการนะธรรมะท่าจะไม่ค่อยมีเลยไม่มีเลยครับมีก็ทําบุญนิดหน่อยทําบุญครับทําบุญทํำทานเออทํามาบา้างก็ทาบุญทํำทานให้กับบ้านขก็ กลับบ้านก็คือรับษาสีลไปนั่งไว้พระกันกบบ้านก็ตบดุงต่ออืมครับผ็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องจนห้าคืนนะครับวันสุดท้ายออบางโลกว่ามันเป็นเรื่องของโลกเขาทั้งโลกกนะัทั้งธรรมมันคนละทางกันครัอบอยให้เปไปทางโลกของเขาว่าเป็นแกะดอืมแล้วก็ปลามตัวแต่ทําเป็นตัว จะเป็นจะไม่ปัญจาดำเลยเป็นเนก๊กอล้วจขวางรู้ก็กก<ช>ไม่ได้ขวางไม่ได้พูดอะไรแต่รู้สึกเยอะครับในใจว่าไม่ใช่ไม่แต่ถว่ารู้ไปก็พอครับว่าเป็นอย่างนี้ครั บ, รบร <Okay S 1> อาจารย์กนะ็วันนี้เก็บอัถิแล้วก็ไม่มีอะไรครับทํานไปทางมันต่อไปต่อไปต่อมาต่อใครโตมา ค, ครับกับสบายใจขึ้นเยอะครับถ้บาคิดแบบนี้ โอเคอบายทีคุณหมอสุทาติเล็เป็นยังไงสบายมีเจ้าคาะท่านผู้อารย์สคลินิกปิดกี่ทุ่มแล้วคลินิกปิด6กโมงครึ่งค่ะ6โมงครึ่งนะอือค่ะเปิดประมาณสิบโมงเจ้าคาะท่านผานจาวุโสวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีวันหยุดไหม หยุดบันพุธเจ้าค่ะหยุดบันพุธวันนี้อ๋อวันนี้ไม่ต้องทํานะไม่ต้องทำเจ้าค่ะอืมดีได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมาปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณค่ะขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเอคุณมารุอาจารย์ในบัตรสการกับอาจารย์ เป็นยังไงเงินสติกเกิดขึ้นได้ยหมได้ครับพระอาจารย์สัปดาห์นี้ดีดีขึ้นครับผ ม, มพุทโทตั้งแต่เช้าเลยครับ<ม>แล้วก็พอมีเวลาผมก็หลับตาครับแล้วก็เวลาทําอะไรก็จะอีเสียงพุทธโทอยู่ในใจครับพระอาจารย์<ม>น้อยน้อยมากที่มีมีครับครับไม่ไม่ไม่เบื่อครับพระอาจารย์อื<ม>สบายใจครับไม่ฟุ้งกับเรื่องนั้นตรงนะี้ อ๋อไม่ไมเลยครับอาจารย์มันก็จะมีความรู้สึกแบบเบาๆแล้วก็เป็นสุขครับอาจารย์กรไดได้กลับมาเหมือนตอนสมัยสมัยก่อนแล้วครับอาจารย์ที่เคยตอนที่ช่วงปฏิบัติมากๆาครับครับครับอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ก็มีเรื่องเรียนถามอาจารย์ครับเพราะเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยทาไมเราถึง เวลาแบบมีงานมีอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปอ่ะครับพระอาจารย์เราแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะครับแต่ว่ามีมีงานสําคัญสำคัญหลือต่างๆผมก็เฉยๆรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากไปอะไรลักษณะนั้นนะครับคืออย่างนิยมที่อ่ะเพราะเราผลประโยชน์ที่ได้จากงานต่างมมาสู้สู้อยู่คนเดียวไม่น่าคือจริงๆอยู่อยู่แบบนี้มีความสุขกว่าครับพระอาจารย์ผมไปก็รู้สึกทําเลยไม่ถึงนเต้นเย็นดีเหมือนเมื่อก่อนครับ โอสมัยก่อนเวลามีงานพระราชวิธีหรือมีงานเลี้ยงลาติดล้างเลี้ยงสเลี้ยงต่างๆนะครับอาจารย์งยานใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีความสุขอยากไปมากเลยครับเพราะตอนนี้ผมยพยายามไม่ไปเลยครับพระอาจารย์ไปแล้วก็มันไม่เหมือนเดิมครับพระอาจารย์เราเป็นวิธีหาความสุขจากฟุบเสียงจิตลดมาเป็นหาความสมบางบแทนครับพระอาจาร ย, ราารย์ก็เป็นเป็นปกตินะครับพระอาจารย์ผมว่ามันลดมันลดลงไปมากเลยครับ เหมือนอย่างเมื่อวานครับเมื่อวานเนี่ยเออประชุมกับต่างชาติเขาว่าชวนไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเมืองจีนไปกินเลี้ยงอะไรผมก็ต้องหาทางว่าแบบคือว่าไปเนี่ยก็จะถูกขยันใชยอให้ดื่มแต่ว่าปกผมไม่ดื่มแล้วนะครับอาจารย์ผมรักษาศีลเขร่งคัดมาก แ, แล้วก็ก็ต้องบอกเขาไวว่าเราเร า, เราตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเนีอะไรก็ต้องออกไปทางอย่างนั้นแทนนะก็ก็เลยก็เลยก็แปกดีครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าปีเนี้ยครับ ปีนี่ยที่ปฏิบัติทำมาหนึ่งปีคือมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยน่าจะได้ประมาณปีกว่ากว่าแล้วครับในช่วงรอบที่รอบนี้นะครับก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับพระอาจารย์พฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปมากๆเลยครับครับทํา <ำ S 2> มากขึ้นครับก็ต้องปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์ใช่ครับผมผมคิดว่าถ้ายิ่งได้นั่งสมาธิมากมากขึ้น แล้วก็รักษาสินแปดนะครับให้รักษาสินแปดเพิ่มแล้วก็ได้ได้พุดโธจริงๆก็จะมีความสุขครับอาจารยือคือถ้าไม่พุโทโธเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยก็จะหลุดครับอาจารย์บางทีมันเหมือนมันเหมือนขนองปากอะครับมันเหมพูดแล้วมันก็ไม่สุภาพเท่าที่ควรนะครับแต่เราไม่รู้สึกว่าไม่สุภาพแต่พอพอเราพุดโทพุดโธเนี่ยก็จะสมรวมมากขึ้นครับพระอาจารย์อืมครับก็เลยครับอาจารย์กะทําต่อไป ครับพระอาจารย์ต้องพระอาจารย์มีข้อให้ให้ทํำยังไงเพิ่มบ้างไหมครับพระอาจพยายามนั่งสมาธิให้มากความสุขดีในสมาธิแล้วพลังของจิตก็อยู่ในสมาธิที่รรพระอาจารย์มากก็จะมีกําลังสู้กับกิเลสได้มากขึ้นครับครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมจะน้อมนําไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตนิสฐาจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์อดี ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสัปดาห์นี้ดึงดึงจิตใจกลับมาได้แล้วครับอไม่จิตใจไม่ต่ำไม่ต่ําแบบเดิมแล้วครับอาจจะไม่ตกต่ำอีกด้วยครับพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์ทักทายทงแรกเช้าโอเคคุณอะไคุณเซลีนนะเซลีนใ่าหมเจนสวัสดีค่ะหนูชื่อเลินยาภาค่ะก็ให้ต่างชาติเรียกเซลีนไปที่จริงหนูไม่อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะ ม, มาเรียนปริญญาโทค่ะแต่ที่จริงเป็นฐานเรือค่ะอ๋อเคยเคยเข้ามาแล้วไหมไม่ใช่ค่ะเคยเข้าช่วงของภาษาอังกฤษค่ะอ๋อภาษาอังกฤษค่ะค่ะเรียนปริญญาโทเล้วท่านายอ่าเป็นปริญญาโทใบที่สองค่ะเป็นญาโทด้านบริหารภาครัฐค่ะอืมแต่แล้วราชการเป็นฐานเรือค่ะอืมตอนนี้ยังไม่จบ อีกสองไม่ถึงสองเดือนก็จะจบแล้วค่ะแล้วก็กลับไปทำงานค่ะอืมทั้งหมดกี่ปีสองปีอะไรนะคะเรียนเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดอ๋อเรียนเรียนไม่ถึงปีค่ะเรียนที่นี้ไม่ถึงปีค่ะอเกือบปีดีค่ะได้ทุนของของรัฐบาลไปหรือ ว, ว่าทุนขตัวเองใช่ค่ะก็เรียนโทใบที่สองนี้เป็นทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะอืม เป็นกระทระวงกลาโหมสิงคโปร์ค่ะอืมค่ะมีอะไรไหมอ่าก็อาจจะขออนุญาตถามหน่อยนะคะตอนแรกก็ไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ว่าเคยถามพระอาจารย์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ได้รับคำตอบคำถามอยู่ที่ว่า หนูเคยถามว่าพุทโธเนี่ยเรานึกเสียงพุทโธเป็นเสียงพระอาจารย์ได้ไหมหรือเสียงหลวงพ่อวิญญาณอะไรอย่างนี้หรือต้องเป็นเสียงเราเองแต่ตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าต้องเป็นเสียงของตัวเราไม่ทราบว่าเอ่อเป็นเสียงของคนอื่นไม่ได้อย่างนี้ยหรอคะบางทีเราก็นึกเสียงขอองก็เสียงของเรามันมันเวลาพุทโธมันก็เป็นเสียงของเราอยู่แล้วเราเป็นนึกถึงเสียงของคนอื่นทําไมค่ะมันทำให้เรามันปูแต่งมากขึ้นไปใช่ อยู่กับเสียงทำที่เป็นธรรมชาติในขณะปัจจุบันเนี่ยค่ะมันไม่มีเสียงถ้าบริการพุโทโธไม่ออกเสียงสิค่ะมีเสียงด้วยเลยไม่ค่ะมีมันจะเป็นเสียงของเราเราปรุงแต่งแล้วเราไปปรุงแต่งงมั น, มนยังพุโทโธไม่มีเสียงบมันก็ถ้าถ้าเราคิดเหยื่ภายในใจมันไม่มีเสียงมันไม่เป็นเสียงของใครผู้รู้ ขหนูชอบเสียงก็มงไม่เป็นไรของใครก็ได้แล้วแต่ขอให้อยู่กับพุโทโธก็แล้วกันมันเดไม่สําคัญประเด็นสำครญคือให้มีพุโทโธผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆค่ะคจะเอาเสียงของใครมาก็ได้แล้วเสียงของใครแล้วต้องจํำขึ้นมาแต่ไม่เสียงของพ่อวิริยังนี่เสียงคือคือหนูชอบฟังธรรมะไงคะไม่ว่าจะฟัง อ่าไลฟ์ของท่านหรือวิดีโอเก่าๆของท่านที่เปิดในไลฟ์ย้อนฟังดูเวลาที่เราว่างคือในช่วงหนึ่งวันเนี่ยหนูก็จะแบบเปิดธรรมะคือฟังธรรมเทศนามัยอะไรแบบนี้บ่อยอะคะ่ะถ้าและตอนกลางคืนหรือกลางวันก็จะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะคือ mm hmm. ตั้งแต่อยู่สิงคโปร์เนี่ยคือพยายามจัดตารางให้ว่างที่สุดเพื่อมาทา ตรงนี้ตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วกเ็เจอปัญหาที่ทำให้ทุกใจอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เข้าคอสของหลวงพ่อวิยังซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ทำสมาธิได้ดีมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอัญญ์มันยังหรือว่า สถานปฏิบัติอะไรอย่างนี้เอื้อมหน่วยหรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นคนขยันมากๆเลยปัจจุบันก็เลยพยายามขยันให้แบบเหมือนคราก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เหมือนคราก่อนคขาก่อนถึงจะเคยถึงแต่เราไม่รู้เราเราไม่ได้ข้ามสเต็ปแต่เราไปเร็วจนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตอนนี้พอรู้แต่ว่า ยังไปไม่ถึงเหมือนเมื่อก่อ น, น<า>อันนี้อันนี้เราเป็นเพราะเราเราส่งจิตไปขั้งทั้งหน้าก่อนเนาะคนได้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุที่เรากําลังทําอยู่ค่ะ อ, อย่าไปคิดถึงผลที่เราเคยได้ค่ะเพรอยากจะได้ผลเนะี่ยมันมันจะไม่ได้ทันทีค่ะต้องกลับมาที่เหตุถ้าเราใช้พุโทโธก็ต้องอยิบพุโทโธไปใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้ค่ะกลับมาพุทโธเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็หลงไปแบบว่า คนแนะนําให้ต้องแบบอานาปนาสตีลมหายใจเท่านั้นอะไรเงี้ยเราปรากฏว่าทําไม่ได้ะคะเพราะว่าก็เลยรู้ว่าจริตของเราเป็นพุโทโธอะไรเงี้ยนะคะก็เลยหันกลับมาพุโทโธที่นี้ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้เรื่องเพรต้องถามก่อนว่าการจะถึงพระโสดาบันเนี่ยสิ่งต้องบริสุทธิ์มากที่สุดเลยไหมหรือว่าเ ต, ต, ต, ตะอะไรเลยหรือว่า มีดั่งพร้อยได้บ้างยกตัวอย่างเช่นคือสมมติว่าทุนเนี่ยคะ่ะเขามีโอนเงินเกินนิดๆหน่อยๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้มีเจตนาที่อย่างเนี้ยไอโอนเกินนิดหนึ่งเนี่ยเราต้องแจ้งเขาไหมและคืนเขาไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเราอยากจะสบายใจก็แจ้งคืนไปนะ <S <S นนเพราะไม่ใช่เป็นของเราเขาจะส่งมาโดยาการผิดพลาด ถ้าติดต่อเขาได้แจ้งเขาได้ก็แจ้งเข้าไป ถ, าถ้าติดต่อไม่ได้แจ้งไม่ได้ก็เถอะเลยตามเลยไปเลยเป็นส้มหมดไปอ๋อค่ะได้ค่ะอ่าไปทุกข์กรรมก็แล้วกันอย่าไปทุกข์กรรมได้ค่ะคือทุกวันนี้ผ่าผัก <laughs> มันไม่ใช่เจตนาเราไม่มีเจตนาที่เราจะ จ, าจะได้เงินของเขาไม่ะมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราพยายามแล้วจะคืนเขา แ, แต่ไม่สามารถติดต่อหน้าก็ก็ปล่อยเลยตามเลยไปก่อนค่ะ คือคือเงินทุนที่ได้ก็น้อยอยู่แล้วค่าความชีพก็สูงอยู่แล้วอ่กันค่ะคือน้าที่ของศีลนี่มมีไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติสมาธินะคะโดยเฉพาะศีลแปดนะศีลแปดที่เกี่ยวกับเรื่องในธคมัมมะคือการรับเงินการหาความสุขจากการใชเบื้องเสียงกิริย์ต่างๆอันนี้ต่างหากคือหน้าที่ ข, ข, ข, ของศีล เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิมากขึ้นถ้าเราซือเพลงศีลห้าเนี่ยศีลห้ามันไปไม่ห้าเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นในรูปแบบต่างๆท่านก็จะทําให้การเจริญสตินั่งสมาธินี้เป็นไปได้ยากกว่า ค, คน่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลด้วยครับสุดจะบริสุทธิ์มากน้อยก็แล้วแต่แ ต, ต่างใดที่เราไม่มีเจตนาที่จะทําให้มัน ผิดเังมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในโลกนี้บางทีมันจะให้มันเป็นดันเป็นดันร้อยเอร์เซ็นต์บางที่มันก็ไม่ได้วันนี้เผลอเดินไปเหยียบมดคืออะไรอะไรต่างๆ <Okay. S 2> อางนี้โอ้ oh, ปิดหน้าต่างไม่รู้มีจริงจบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ อ, อ, ยนอย่าไ ป, ไปกังวลมากจนเกินไปกังวลมันจะทำให้กายให้กายเป็นนิวรณเป็นตัวอุปสรรคในการทําสมาธิของเราค่ะแล้วก็ช่วงมันก็เคย ก่อนหน้าเนี้แคลก็มีนิวรอนบ้างเพราะว่าอะไรที่ทําให้ทุกใจอารมณ์มันก็จะไปตรงนั้นด้วยเช่นกันอทุกใจแบบทุกใจในเชิงน้อยใจน้อยใจน้อยจว่าทําไมมันเกิดพยายามใช้สติอยู่มันพอเริ่มปฏิบัติแล้วก็มาที่พิสัยก็สติอุทโทแล้วก็มีอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามไม่โทรหาคุณแ่หรือโทรหาให้น้อยที่สุดเพราะว่าความคิดไม่ค่อยตรงกันอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกัน ก็ให้มีเวลารือกำหนดเวลาววันหนึ่งควรจะตัวละ้รหนึ่งสองครั้งทำหน้าที่รักษาความดันันที่ดีไว้ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราก็พยายามมีฮิริโอตปะอะไรอย่างนี้ค่ะต้องมีอุเบกหาเยอะอุเบกขาค่ะวางเฉยคุณไม่จะพูดอะไรก็ปล่อยให้แม่พูดไปได้ค่ะ โ okay. อเคเวลายองไงอือไม่มีค่ะก็วหวังว่าสักถ้ากลับประเทศไทยจะได้ไปกราบทันนะคะโ okay. อเคฮะเธอเข้ามาที่นี่ก็ได้กราบที่นี่ก็ได้เหม <laughs> okay. เอือนกันโอเคเห็นใบที่ท่านต่อไปคุณนัทใช่ไหมหนังสือตัวเล็กมองไมยเห็นชื่อคุณนันทหรือเปล่าทวารี น้าทวดีนะอ๋อน้าสกานเจ้าค่ะเปิดใหม่หรือยังได้แล้วได้ยินแล้วได้ได้ยินแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะน้าสการเจ้าค่ะอ่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดกาฬสุครามแต่ว่ามาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะรับฟังจากเชียงใหม่เจ้าค่ะที่เคยปรึกษาพระอาจารย์เรื่องอ่าลูกสาวนะคะก็มีความทุกข์ใจกับครอบครัวก็ใช้หลักธรรมะที่พระอาจารย์สอนนะคะ มาใช้ในการดำเนินชีวิตเนาะบางที เ, เวลาเรามีความุกก็ก็ก็ไม่ก็ยังไม่ได้ดก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนของคุณแม่นี่เราก็ของโยมก็ใช้หลักว่าที่อาจารย์สอนว่าให้มีตาให้มากมใหไม่มีตาใช่ไหมจ้ะคะก็มีตาเขาให้อไปยเขาเนาะก็ก็คิดว่าเขาเาอาจจะมีปัญหา ท, งทางด้านอารมณ์ป่วยเนะี้ย แล้วก็มิตรตาเขาแล้วก็อ่าแล้วก็บางบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางวก็ทําให้ใจเราอ่าเป็นสุขอยู่ได้เช้าคะ่ะอืมอ่าแต่ขอเรียนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตอ่าบนโลกใบนี้ยังไงที่ให้เราแบบไม่ทุกข์มากเกินไปเช้คะ่ะเราลดวความอยากของเราให้น้อยลงอย่าไปอยากให้ ให้ให้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> ให้ใช้สันโดษยินดีทามีตามเกิดจผลตอบก็ได้ผลตอบเพื่อได้คนชมเราก็ได้คนด่าเราก็ได้เน <Okay. S 1> ี่ยเราอยู่ในโลกที่มีการแปรปวนในการเ ป, ปลี่ยนแปลง <Okay. S 1> สภาวะธรรมที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันเข้ามาตลอดเวลาจ <Okay. S 1> อยากไปอย่าเป็นจู้จี้จุกจิกก็จะต้องมีแต่สิ่งดีๆงามๆอย่างเดียว อจต้องยอมรับทั้งสองอย่างถ้ า, าใจว่าใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเฉยได้จถ้าเราต้องการ<า>ให้ ม, ม, มันเป็นตามนู่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นแล้วมันก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาจะค่ะก็ก็รับฟังอ่ารับฟังได์ของพระอาจารย์ทุกวันจะค่ะแล้วก็ปฏิบัติ ตอนนี้ก็รักษาสิน5ห้าแล้วก็ถ้าเป็นวันถ่าก็จะรักษาสินแปดค่ะแล้วนั่งสมาธิด้วยพยายามนั่งสมาธิสมาธิจะช่วยทำให้ใจเรายเย็นลงเจ้าค่ะช่วยได้เยอะเจ้าค่ะแต่ก็ต้องต้องต้องฝึกไปอีกเยอะเจ้าค่ะที่แต่ก่อนฝึกมาก็เวลา เวลาเรามีความทุกข์เราถึงจะมาฝึกปฏิบัติธรรมเวลาเราสบายดีเราก็ลืมหลงลืมไปเจ้าค่ะ<ม>ทีนี้ก็เลยว่าเอออายุมากขึ้นเราต้องเข้ามาทำบ่อยๆทาให้มันนิสัยแล้วเวลาเกิดทุกข์มันจะได้ดับได้ได้ง่ายได้เร็วค่ะ ก, ก็ดีวยนอยาทิอาทิตย์หนึ่งอาถิตย์สิบแปดทั้งวันหนึ่งฝึกสตินั่งสมาธิรัเวริการหาความสุขจากรื่เสียงกินรส เอาเวลามานั่งสมาธิเจริสติกันบางฟังเทศฝังธรรมอ่าจะดได้สติดได้สมาธิได้ปัญญาเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ใจให้น้อยลงไปให้เบาลงไปโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจค่ะกับสาธุเคจค่ะอ่าคุณพร้อมเป็นคันเป็นหนด้ายได้หลานชื่อวิถุพอไปด้วย อาจารย์จะอ่าคุณได้เลยวันนี้ไม่มีคําถามนะค่ะแต่การปฏิบัติไม่ค่อยไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะว่ามันนิ่งเฉยเฉยอ่าถ้านั่งสมาธิก็ไม่ต้องการให้ทําอะไรให้มันนิ่งเฉยเฉมันมันมันไม่อย า, ากจะก้าวหน้าต้องไปทําปัญญาหลังจากที่จิต น, นิ่งแล้วเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิกายปัญญาตายนับ มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบงังคับไม่ได้ทุกอย่างจะได้เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันมันเหมือนมันลงไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลึกถึงใจมันเหมือนกับเหมือนเราอ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าหัวก็พยายามทาไปเรื่อย พย่ยามฝึกสติให้มากขึ้นถ้ามีสติ <ไง S 1> มาก<ง>มันก็จะเข้าไปเลืได้ได้เลกมากขึ้นไปตามลำดับพยายามฝึกสติให้มากมากนั่งสมาธิจิตได้ลงได้เลื่อน้าไม่ทำไม่ได้นั่งสมาธิจะคิดทันปัญญามากก็ได้ลยทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ได้ของเราแค่นี้แนะก็ได้ครบส่วนแล้ว โอเคนะถ้าไม่มีอายละเอียดนี้ก่อนนะไม่มีคําถามะกกนะเจ้าค่ะขอบพระคุณรูสึกหมดแล้วเนี่ยมีใครตอบพังว่าไม่มีแล้วเพราะงั้นคําถามจากคุณลาคุคามีคำถามอะไรกราบหลมัสแตงพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณธรรมชาติกราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตา เวลาเราพุโทโธ จ, จังหวะจะช้าหรือเร็วกําหนดอย่างไรเจ้าคะก็ดูที่สภาพจิตของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าจิตเราฟุ้งมากคิดมากอาจจะต้องเร็วหน่อยสู้กับมันแต่ ถ, ถ้าจิตมันไม่ฟุง้งจิตมันสบายสบายเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องบริกรรมให้มันเร็วแล้วก็บริกรรมแบบสบายสบายเลยคำถามต่อไปจากคุณพักผ่อขอเมตตาจากพระอาจารย์ ภาวะจิตเสื่อมน่าจะสองปีแล้วเหตุคือพอกายดับลมหายใจดับพุทโธดับเหลือแต่จิตจิตเกิดห่วงลูกแล้วกลัวตายค่ะจึงค่อยๆถอนจิตออกมาจากนั้นครั้งต่อไปพอเริ่มจะเข้าแบบเดิมก็ถอนขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเจ้าค่ะ คือแสดงว่ามันไม่ได้เข้าจริงถ้าเข้าจริงมันจะว่างมันจะเย็นมันจะสบายอันนี้อาจจะเป็นความคิดของอะไรว่ามันเข้าไปความจริงมันไม่เข้าหรอกถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าจิตยังไม่สงบต้องบริกรรมพุโทโธต่อไปคำถามต่อเนื่องผู้รู้รู้จิตคือจิตกายคือกายตอนที่กำลังจะล้มตัวลงนอนค่ะ รู้ในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธินะคะฟังธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เข้าใจในภูมิของตัวเองรู้ตามลำดับลาดับแต่ท้อกิเลสมันมาทุกทางพุทโธเข้าสู้ตอนนี้ท้อแท้แต่ยังไม่ถอยขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำและเมตตาให้กำลังใจคะ่ะว่าจิตยังไม่สมบเด้ออย่าไปจิตให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปดู ด, ด, ด, ด, ดูนู่นดูนี่ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเวลาว่างก็นั่งสมาธิพุโทโธไปเรืเ่อยๆทําจิตให้นิง่งให้รวมกว่อนเอย่าเพิ่งไปดูล่างกายดูจิตดูอะไรมันเสียเวลาดูแลมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งที่จิตต้องการมากในตอนนี้ก็คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ามีความสุขจากความสงบแล้วที่จิตจะมีพลังที่จะสามารถไปพิจารณา กายเวทนาจิตได้ต่อไปคำถามต่อไปการที่มีทุกขเวทนาทางกายที่ไม่สามารถรักษาได้เราจะอยู่กับทุกนี้ได้คือต้องใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อปล่อยวางความทุกข์กายนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดใช่ไหมครับปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิด้วยถ้ายังไม่มีสมาธิปัญญาัางไม่ไดกำลา ถ้าจะพบสาเหตุว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของใจแต่ก็จะไม่สามารถเป็นหยุดความอยากของใจได้เช่นอย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายอย่างนี้แต่ถ้ามีสมาธิสามารถหยุดจิตได้เข้าสมาธิได้พอใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่เจ็บอย่างไม่ตายก็สามารถหยุดความอยากนั้นได้ให้จิตยอมรับความเจ็บความตายได้ คั้นตอสุดท้ายการที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายคือเราจะต้องมีสติหมันพิจารณาว่ากายคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นทางเดียวใช่ไหมครับยังต้องผ่านสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิพิจารณาไปจนวันตายก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันเหมือนกามเกนี่นั้นอย่าไปกังวลเรื่องปัญญามากตอนนี้ปัญญากังวลเรื่องสติกับสมาธิให้า่า ทำยังไงครับจิตให้รวมให้เนี้ยยังไงสมองให้มีพลังก่อนพอมีพลังแล้วทีนี้เราพิจารณาทางปัญญาเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายเป็นของเราอยู่ของเราเป็นนานเป็นต้นแต่ความจริงมันก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะหยุดเป็นไม่ได้เห็นตอนนี้อย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องปัญญากังวลเรื่องสติเรื่องสมาธิ ทำเจ็ดให้น่งให้สง บ, บให้เป็นโอเบคาให้ได้ก่อนหมดแล้วจ้ะค่ะเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้มาขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพ่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทาย ง, ยงยิ่งขึ้นไปเธอ